จเจริญพรทุกทุกท่านนะคือการศึกษาการปฏิบัติธรรมเนะี่ยเราทำไปเพื่อความค้นทุกข์นะเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติคือพนทุกข์เกิดมาทั้งทีเรื่องอะไรจะต้องมีชีวิตที่จมอยู่กับความทุกข์ตลอดกาลคนซึ่งไม่มีธรรมะไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเขาไม่มีทางออกเขาก็จำเป็นต้องอยู่กับทุกข์ ตลอดไปอย่างมากก็แก้ทุกเป็นคราวๆเช่นหิวข้าวไปกินข้าวไม่สบายไปหามหมออย่างี้แต่การจะออกจากทุกข์อย่างแท้จริงเนี่ยต้องอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าเมื่อไหร่เราเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเราจะพ้นจากความทุกข์ได้อย่างเด็ดขาดพ้นในชีวิตนี้แหละ ไม่ใช่ว่าทำบุญทำทานทำดีไปเรื่อยๆแล้วอนาคตค่อยพ้นทุกข์อย่างนั้นมันอ่อนด้อยเกินไปธรรมะของพระ เ, เจ้านะเป็นของพิเศษของอาศจรแก้ทุกข์ได้ในปัจจุบันต้องเดี๋ยวนี้ด้วยต้องต้องในชีวิต น, นี้แหละไม่ใช่รอคาดหวังว่าชาติต่อๆไปจะดีกว่านี้ต้องดีตั้งแต่ตอนนี้เลยนะเพราะเราหวังไม่ได้ใครจะไปรู้ว่าชาติหน้ามีไหมนะได้ยินได้ฟัง พระพุทธเจ้าว่ามีแต่ว่าใจเราอาจจะไม่ยอมรับเต็มที่เพราะเราไม่เคยเห็นงั้นถ้าการแก้ทุกข์นะไปแก้ในชาติหน้านี่มันประโยชน์มันน้อยความน่าเชื่อถือมันน้อยถ้ามาของพระพุทธเจ้าอาัศจรรย์ถึงขนาดที่ว่าถ้าเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติทำให้สมควรแก่ทำแล้วเนี่ยมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วไม่ทุกข์แล้วนะหรือทุกข์ก็ทุกข์น้อยลงน้อยลงไปเรื่อย คนที่มาเรียนกับหลวงพ่อสักพักหนึ่งแล้วคนไหนรู้สึกไหมว่าความทุกข์สั้นลงความทุกข์น้อยลงลองยกมือหน่อยซิมีไหมรู้สึกไหมคนที่ยังไม่เคยเรียนจะดูซะนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกนะที่จะสามารถถอดถอนความทุกข์ออกจากใจเราให้ได้อาจจะถอดถอนได้ไม่เด็ดขาดร0อเแบบพระอรหันต์นะแต่ในฐานะของคนดีกัลยาณชนนีกัลยาณณปุถุชนนี ความทุกข์ก็ลดลงเป็นลําดับลําดับให้เราเห็นได้ทําให้เราเกิดความเชื่อมั่นได้ว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยดีจริงๆนะพาให้คนซึ่งเหลวไหลไร้าสาระอย่างพวกเราเนี่ยพัฒนาขึ้นมาได้นะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าตรับใดที่ไม่เห็นอริยสัจไม่รู้แจ้งอริยสัจเนี่ยยังเวียนว่ายตายเกิดยังพ้นจากทุกข์ไม่ได้ให้คาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยสูงสุดเลยก็คือเรื่องของอริยสัจ ถ้าเราเข้าใจอริยาศาสตร์อย่างท่องแท้นะจิตจะถอนตัวเองออกจากวัตตะท้นจากการหมุนเวียนไปเรื่อยๆถ้าเราภาวนานะบางคนภาวนาไประลึกชาติได้ย้อนไปได้ชาติหนึ่งสองชาติสชาติ10ชาติเลยนะหรือบางคนรู้ได้นะเห็นคนนี้ตายไ ป, ไปเกิดที่นี่ที่นี่อนะไรเนี่ยเราจะรู้เลยว่าวัตตะมันมีจริงๆ แล้วก็ชาติใดนะที่เราเกิดมาแล้วไม่ได้พบพระพุทธศาสนาเนี่ยเราจะรู้สึกวังเวงในใจเราเราไม่ได้ชั่วนะแต่มันวังเวงคือชีวิตเนี่ยมันไม่มีทิศทางเราไม่รู้ว่าเราอยู่ไปเพื่ออะไรนะเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทาอะไรไม่รู้เลยนะแค่เกิดมาเขาเรียนหนังสือก็เรียนตามเขาไปเขาทำงานเขาตามเขาไปทำงานนะเขามีครอบครัวก็มีกับเขาบ้างเขามีลูกก็มีกับเขาบ้างสุดท้ายเขาตายก็ตายกับเขาบ้างชีวิตก็มีอยู่แค่นั้นเอง ชาติใดที่ได้มีบุญวาสนาได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านี่ชีวิตจะมีเป้าหมายเรารู้เลยว่าเราเกิดมาทําไมชีวิตไม่ใช่อยู่ร่องลอยไร้สาราไปวันวันหนึ่งชีวิตจะมีเป้าหมายคือการถอดถอนตัวเองออกจากความทุกข์ถึงถอดถอนได้ไม่เด็ดขาดในชีวิตนี้นะอย่างน้อยต้องใกล้ความพ้นทุกข์เข้าไปเป็นลําดับลําดับต้องยกระดับจิตใจขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งใจเข้าถึงธรรมะจะรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจ เฉั้นวันนี้ในฐานะที่ส่วนใหญ่เป็นพวกที่เรียนมากับหลวงพ่อพอสมควรและนะ้วดูที่ว่าแยกธาตุแยกขันได้ก็หลายสิบคนละเพะั้นหลวงพ่อจะพูดเรื่องอริยศาสตร์ให้ฟังนะอริยศาสตร์คือความจริงสูงสุดนะที่พระอริยะเจ้ารู้เห็นหรือความจริงสูงสุดนะที่ทําให้ปุถุชนเนี่ยกลายเป็นพระอริยะบุคคลนะความจริงสูงสุดที่รู้มาจากพระอริยะเจ้าคือพระพุทธเจ้า มีหลายเนยยะหลายความแปลคําว่าสัจจะของพระอริยะอริยสัจจะเนี่ยอริยสัจจะเริ่มจากทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหมเคยได้ยินไหมทุกข์เนี่ยเราก็คิดนะว่าแก่เจ็บตายเป็นทุกข์พลาดพลากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์เจอสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกขนะ์ปรารถนาอะไรแล้วไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์นะีอันนั้นก็ทุกข์เหมือนกันนะแต่ว่ามันเป็นแค่อาการปรากฏของทุกข์ อะไรที่เรียกว่าตัวทุกข์ที่แท้จริงสิ่งที่เรียกว่าตัวทุกข์ที่แท้จริงนะพุทธเจ้าท่านสรุปไปเลยบอกสังค th ิตเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาโดยสรุปขันทั้ง5คือตัวทุกข์ขันทั้ง5ตัวรูปประขันคือตัวกายเราเองนะเป็นตัวทุกข์พอมีร่างกายอยู่ใช่มมันก็มีอาการปรากฏของทุกข์มีความแก่มีความเจ็บมีความตาย ขันต่อไปคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ทั้งหลายเรียกว่าเวทนานะขันต่อไปเรียกสัญญาขันความจําได้ความหมายรู้ขันต่อไปเรียกสังขารขันความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วขันต่อไปคือวิญญาณหักขันคือจิตนั่นเองความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกเลีน้นงแก่ใจเรียก ว, ว่าวิญญาณคนะือจิตก็คือตัวเดียวกันนะจิตที่ออกไปรู้ทางตาหูจมูกเลี้ยงแก่ใจ ตัวขันห้าคือตัวทุกหน้าที่ต่อทุกคือการรู้ไม่ใช่คือการละนะในใจพวกเราอยากละทุกใช่ไหมพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ละทุกท่านสอนให้รู้ทุกทุกเป็นตัวผลละผลไม่ได้ต้องละตัวเหตุเหตุของทุกข์คือตัวสมูทัยคือความอยากงั้นตัวทุกเนี่ยทำได้แค่รู้ตัวสมูทัยให้ละเสีย ตอ น, นี้เราค่อยทําความเข้าใจก่อนนะว่าตัวทุกข์เนี่ยก็คือตัวขันห้าพูดง่ายๆคือกายกับใจของเรานี่แหละเป็นตัวทุกข์พวกเราปุตุชนทั้งหลายนะหรือกระทั่งผู้ปฏิบัติที่ยังไม่ถึงจุดสุดท้ายของการปฏิบัติเนี่ยอย่างเราจะเห็นร่างกายเราเนี่ยทุกข์บ้างสุขบ้างรู้สึกไหมร่างกายเรานี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเมื่อเราเห็นร่างกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเรียกว่าเรายังไม่รู้ความจริงของตัวทุกข์ แท้จริงร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเพียงแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเมื่อไร่ทุกข์น้อยเรารู้สึกว่าเป็นสุขก็แค่นั้นเองนะแท้จริงแล้วร่างกายนี้ถูกความทุกข์บทขยี้อยู่ทุกๆุกขณะนะถูกทําร้ายอยู่ทุกๆกขณะหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์นั่งอยู่ก็ทุกข์ยืนเดินนอนก็ทุกข์ทั้งหมดเลยลองหายใจเข้าสิหายใจเข้ายาวๆยาวที่สุดเลยทุกข์ไหมแป๊บเดียวใช่ไหมทุกข์นะ ทุกข์แลไงหายใจออกแก้ทุกข์เอาหายใจออกไปหายใจออกยาวๆทุกข์ไหมหายใจออกก็ทุกข์อกีกลมความนะหายใจเข้าก็เพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจออกหายใจออกก็เพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจเข้ามันทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเลยนะนี่บางช่วงมันทุกข์มากบางช่วงมันทุกข์น้อยคนซึ่งไม่มีสติไม่มีปัญญาก็ <S <S เห็นว่าชีวิตนี้มีความสุขยังเด็กๆอยู่ยังหนุ่มยังสาวอยู่ก็รู้สึกร่างกายมีความสุขมาก แก่ขึ้นมาก็รู้สึก ร, really ร่างกายมีความทุกข์มากนะเริ่มควบคุมบังคับไม่ได้แล้วเริ่มใช้งานไม่ได้นะในความเป็นจริงแล้วร่างกายเป็นตัวทุกข์แต่เราไม่เคยเห็นถ้าเมื่อไหร่เราเห็นหร่างกายเป็นตัวทุกข์ได้อย่างแท้จริงนะจิตจะหมดความยึดถือในร่างกายเมื่อจิตหมดความยึดถือในร่างกายแล้วเนี้ยร่างกายจะแก่เป็นเรื่องของร่างกายจิตจะไม่ทุกข์ร่างกายจะเจ็บเป็นเรื่องของร่างกายจิตจะไม่ทุกข์ร่างกายจะตายก็เป็นเรื่องของร่างกายจิตใจจะไม่ทุกข์ ความทุกข์เนี่ยเข้าถึงร่างกายได้แต่จะเข้าถึงจิตใจไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนทั่วๆไปนะเวลาความทุกข์มาถึงตัวเนี่ยมันจะคล้ายๆถูกยิงด้วยลูกธนูถูกลูกที่1แล้วจะถูกซ้ําลูกที่2องไม่ได้โดดลูกเดียวคล้ายๆว่าความทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นในร่างกายแล้วเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายแล้วจะต้องต่อด้วยความทุกข์ทางใจขึ้นมาอีกเพราะร่างกายเราแก่แล้วก็ทุกข์นะนึกออกไหมตอนที่ผมงอกเส้นแรกเกิด ดีใจไหมไม่ดีใจเลยนะตีนกาอันแรกเกิดรู้สึกไงนะคลุ้มใจนะพยายามต่อสู้สุดฤทธิ์สุดเดชเลยนะสุดท้ายพอขึ้นหลายๆอันก็โปรงตกนะเนี่ยอาการปรากฏนะความทุกข์มันปรากฏขึ้นมาในกายนะถ้าเราไม่เข้าใจความจริงของกายเราอยากให้กายเป็นสุขนิรันดรนะไม่อยากให้กายมีความทุกข์เลยนะใจเราจะทุกข์ แต่ถ้าใจมันฉลาดมันเห็นความจริงว่าร่างกายเป็นตัวทุกข์ร่างกายไม่ใช่ของดีของพิเศษหรอกไม่น่ายึดถือนะหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์งั้นร่างกายแก่เนี่ยใครเป็นคนแก่ตัวทุกข์มันแก่ร่างกายเจ็บใครมันเจ็บตัวทุกข์มันเจ็บร่างกายจะตายใครตายตัวทุกข์มันตายตัวทุกข์มันตายสมน้ําหน้ามันนะใจไม่ได้วันไหวเลยนะ เพราะเวลาอะไรจะเกิดขึ้นในร่างกายเนี่ยถ้าเรามีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในร่างกายแล้วใจมันจะไม่ทุกข์หรอกหรือเรามารู้แจ้งแทงตลอดนะในความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ทั้งหลายใครใคก็รักสุขเกลียดทุกข์ทุกวันเนี่ยที่ดิ้นรนทุกสิ่งทุกอย่างนะั้นก็เพื่ออยากได้ความสุขบางคนย้ำเรียนหนังสือให้มากๆนะคิดว่าเรียนหนังสือความรู้สูงสูงแล้วมีโอกาสดีในชีวิตชีวิตจะได้มีความสุข นะเป็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ยังทุกเลยนะเคยเจอด็อกเตอร์ทุกมากๆค่าตัวตายไหมด็อกเตอร์เป็นบ้านะมีแย่ๆไปนะหรือมีเงินมากๆคิดว่ามีความสุขแล้ว ม, มีไหมไม่ได้มีความสุขจริงมีชื่อเสียงนะหรือมีตําแหน่งอย่างข้าราชการใหญ่ๆนะมีตําแหน่งหรือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะไม่มีใครเป็นนายกตลอดกาล อยู่ใต้ช่วงหนึ่งก็ต้องพ้นไปนะบางทีก็พ้นตายอย่างสมัยจอมพลสฤษดิ์เป็นนายกแล้วก็ตายในตําแหน่งส่วนใหญ่ก็พ้นไปก่อนจะตายนะงินทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมานะทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศทุกสิ่ ง, ท, งทุกอย่างที่เราหามาเนี่ยวังว่าจะมีความสุขนะบางคนก็หวังว่ามีครอบครัวแล้วจะมีความสุขแต่ ง, งานกับคนนี้แหละแล้วจะมีความสุขมันสุกประเดี๋ยวเดียวนะพอท้แท้ของมันออกเราก็ไม่สุขแล้วลนะ่ะอย่างผู้ชายบางคนดูดีๆนะ แต่งด้วยมันดีเกินไปมันไปดีสําหรับคนอื่นด้วยนะอันนียเราก็ไม่มีความสุขแล้วเราอยากผูกขาดนะหรือเราอยากว่าถ้ามีลูกแล้วเราจะมีความสุขแต่งงานแล้วอยากมีลกูกใครแต่งงานแล้วอยากมีลกูงง ก, ม, ลกมีไหมนี่ผู้หลงผิดเดี๋ยนรู้แล้วเนาะว่าหลงผิดแต่งงานแล้วอยากมีลูกนะบางทีก็อยากให้ลูกสวยๆหล่อๆนะลืมดูไปว่าตัวเองหน้าตาแบบไหนนะ <Yeah>. พ่ออยากให้ลูกสวยหล่อเนียบเลยนะตัวเองไม่มีทางหรอกนะดูแลอยากให้ลูกฉลาดก็ลืมดูตัวเองอีกฉลาดแค่ไหนปัญพลุล์ดไอคิวเท่าไหร่ก็ลืมดูเนะนี่ยพอมีลูกออกมานะลูกไม่ได้อย่างที่ใจหวังเองทุกอีกแล้วหรือลูกเรียบร้อยลูกเป็นคนดีใช่ไหมก็ห่วงลูกอีกนะเดี๋ยวลูกจะเป็นยังไงพบใครไหมติดยาไหอะไรอย่างี้นะมีปัญหาสารพัดเลยงั้น อะไรที่เราหวังว่าได้มาแล้วจะมีความสุขนะในความเป็นจริงแนละ้วมันจะมีความทุกข์แฝงเข้ามาอยู่เรื่อยๆฉะนั้นหน้าที่เรานะคอยรู้สึกลงมานะคอยรู้สึกสิ่งอื่นๆเนี่ยมาให้ความสุขที่แท้จริงเราไม่ได้นะพยายามมาดู ร, รู้รู้ทุกข์ให้ดีรู้สึกอยู่ในร่างกายบ่อยๆหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกนะอันนี้สาหรับคนที่ชอบรู้สึกกายรู้ทุกข์ก็คือรู้กาย อีกพวกหนึ่งไม่ชอบรู้กายก็มารู้จิตนะเพราะว่าสิ่งที่เป็นตัวเราก็คือกายกับใจนะรูปกับ น, นามนึกขยายละเอียดที่เรียกว่าขันห้านะขยายออกไปก็ได้ในความจริงนะดูลงมาเราจะเห็นนะร่างกายนี้ถูกล้วนนถ้าเรามีสติอยู่ในกายมาดูที่จิตใจพวกเรารู้สึกไหมว่าจิตใจนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างรู้สึกหมจิตใจเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้าง มันยัมีทางเลือกอยู่ร่างกายก็เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างจิตใจก็เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเมื่อมีทางเลือกเนี่ยเราจะดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์นะแต่ถ้าเรามาเห็นความจริงนะความสุขก็ของชั่วคราวความทุกข์ก็ของชั่วคราวนะสุดท้ายนะกระทั่งความสุขความทุกข์ก็มาหลอกเราไม่ได้ความสุขความทุกข์ก็แสดงตัวจริงให้เราดูนะมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของทนอยู่ได้ชั่วคราวแล้วก็สลายไปมีแต่ของที่ควบคุมบังคับไม่ได้นะ เนี่ยเฝ้าดูลงไปดูของจริงนี่เรียกว่าดูเวทนานะเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายบ้างเกิดขึ้นในจิตใจบางความสุขความทุกข์ในร่างกายใช่หไหมเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปทีแรกเราเห็นว่ามีสุขมีทุกข์ดูละเอียดละเอียดนะเห็ น, แ, หนแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยทุกข์มากมาแล้วก็หายไปกลายเป็นทุกข์น้อยทุกข์น้อยหายไปเป็นทุกข์มากเนความจริงของ ความรู้สึกสุขหรือู้สึกทุกข์นี่นคือไม่คงที่ไม่เที่ยงแล้วก็บังคับไม่ได้นะอย่างเราสั่งร่างกายนะห้ามเมื่อยห้ามไม่ได้ใช่ไหมห้ามป่วยห้ามเจ็บอะไรห้ามไม่ไดนะ้หรือจิตใจก็เหมือนกันความทุกข์ความสุขนี่อยู่ในใจก็ได้ทีร่างกายมีความสุขนะแต่ใจมีความทุกข์เคยเป็นไหมร่างกายมีความสุขอยู่ดีกินดีนะมีความสุขมากเลยแต่ใจมันมีความทุกข์นี่นเราก็มาคอยรู้ความจริงหน้าที่ต่อทุกข์คือรู้เนี่ย รู้ความจริงของความสุขความทุกข์เรื่องเราก็จะเห็นความจริงของสุขทุกข์เหมือนที่เราเคยเห็นความจริงของร่างกายความจริงของร่างกายคือมันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดความจริงของตัวความสุขความทุกข์ก็คือไม่คงที่หรอกอยู่ได้ไม่นานความสุขอยู่ได้ไม่นานแล้วก็หายไปความทุกข์ก็อยู่ได้ชั่วคราวความสุขก็เป็นของสั่งไม่ได้เราสั่งให้มีความสุขมันก็ไม่มีแล้วห้ามมันก็ไม่ได้นะอย่างความทุกข์เกิดขึ้นเราจะห้ามมันก็ไม่ได้ ตรงที่เราไม่มีอำนาจเหนือมันสั่งมันไม่ได้เนี่ยคือตรงกับคำว่าอนัตตาอนัตตต า, ตานะคือไม่อยู่ในอำนาจบังคับของเราเนี่ยเรามาดูความจริงของกายดูความจริงของใจบ่อยๆนะเราก็จะเห็นความจริงของมันนะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างร่างกายนะก็แปรปรวนตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถูกความทุกข์บีบขั้นอยู่ตลอดเวลา นะความสุขความทุกข์เองก็เกิดแล้วก็ดับไปบังคับก็ไม่ได้นะความจําก็บังคับไม่ได้นะความจําบางทีก็จําได้บางทีก็จําจไม่ได้ใช่ไหมบางทีเห็นหน้าเพื่อนคนหนึ่งนึกได้แต่นามสกุลชื่อนึกไม่ออกเคยเป็นไหมนะหรือบางทีนึกนึกได้แต่ชื่อพ่อเขาอย่างหลวงพ่อตอนเด็กๆนะคนโบราณนะ่ะไม่ค่อยเรียกชื่อตัวนะเรียกกันชื่อพ่อ วันนึงนะไปบ้านมันเป็นตะโกนเรียกชื่อพ่อมันจะลั่นบ้านเลยลืมไปพ่อเป็นโผล่ออกมานะใจหายเลยนะนึกว่าจะโดนเตะซะแล้วนะความจําก็ก็บังคับไม่ได้นะความปรุงดีปรุงชั่วอย่างความโกรธนะห้ามได้ไหมใครเคยห้ามเคยตั้งใจว่าจะไม่โกรธแล้วมันก็โกรธรู้สึกไหมตั้งใจจะไม่รักมันก็รักได้ใช่ไหมตั้งใจว่าเราจะไปเดินช็อปปิ้งเฉยๆจะไม่ซื้อของ แล้วก็ซื้อใช่ไหมอุตส่าห์ไม่เอาเงินไปนะแต่เพินเอาบัตรเครดิตไปไม่พกตะตังก็พกบัตรเครดิตไปเองนะเนื้อใจนะความปรุงต่างๆของใจนะจะโลภจะโกรธจะหลงอะไรเนี่ยรั้นแต่ห้ามไม่ได้สังเกตไหมความโกรธก็อยู่ชั่วคราวความโลภก็อยู่ชั่วคราวนะความฟุ้งซ่านก็อยู่ชั่วคราวความหดหู่ก็อยู่ชั่วคราวเนี่ยถ้าเรามาดูของจริงนะ ของจริงของความปรุงแต่งทั้งหลายความปรุงแต่งเนี่ยศัพท์ภาษาพระเรียว่าสังขารขันกองของสังขารกลุ่มของสังขารคือกลุ่มของความปรุงแต่งนะปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างนะสารพัดจะปรุงบางครั้งก็อยากมาฟังเทศใช่ไหมอย่างตื่นนอนมาตอนเช้าวันนี้จะมาฟังเทศบางคนเลยมาไม่รอดเลยนะตื่นขึ้มาแล้วตั้งใจไว้ก่อนนอนว่าจะฟังเทศนะ แต่ว่าพอตอนเช้าอาการมันกาลังหน้านอนนะโลกนี้แรงดึงดูดสูงหลดออกจากที่นอนไม่ไหวโดยเฉพาะเช้าวันอาทิตย์อย่างนี้นะไม่อยากตื่นเขาก็จัดให้มาเทศเช้าวันอาทิตย์ซะ ด, ด้วยเราก็ฝืนใจส่วนหนึ่งนะอยากมาแต่มาไม่ไหวเห็นไหมความปรุงแต่งมันเกิดระดับความปรุงแต่งฝ่ายดีอยากฟังธรรมะความปรุงแต่งฝ่ายดีเกิดสุดท้ายก็สู้ความปรุงแต่งฝ่ายชั่วคือความขี้เกียจไม่ไหวมาฟังเทศนะ ตั้งใจมาฟังเดินทางมาตั้งเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะฟังได้สักพักหนึ่งอยากกลับบ้านอีกแล้ว น, นี่ความอยากฟังเทศนะเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับได้น ะ, นะเวลาไปเที่ยวเคยไหมอยากไปดูดูดูไปก็เสิงเอยากกลับบ้านพอไปชอปปิ้งจริงๆก็อยากกลับบ้านอะไรเงี้ยใจนะัมันเปลี่ยนตลอดเลยความปรุงแต่งของใจรอบความรอบไม่ตั้งใจจะรอบมันก็รอบได้รอบอยู่ชั่วคราวแล้วก็หาย โกรธก็เหมือนกันนะหลงก็เหมือนกันฟุ้งซ่านก็เหมือนกันหดหู่ก็เหมือนกันใจของเราเนี่ยมีความปรุงแต่งเกิดขึ้นทั้งวันทั้งคืนเลยนะเวลามันปรุงยกเว้นเวลาจิตมันหลับลึกๆเข้าผวังไม่ปรุงดีปรุงชั่วอะไรจะเฉยๆนะแต่ถ้าเราตื่นๆอยู่อย่างเงี้ยใจเราปรุงตลอดเดี๋ยวก็ปรุงดีเดี๋ยวก็ปรุงชั่วนะดีกับชั่วนไหนปรุงได้ง่ายกว่ากันใครว่าดีปรุงง่าย ใครว่าชั่วปรุงง่ายนี่ยังไม่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าท่านว่าคนดีนะทําดีง่ายนะปรุงดีง่ายคนชั่วปรุงชั่วง่ายถ้าคนดีอะ่ะปรุงชั่วยากงั้นถ้าเราเห็นว่าปรุงชั่วง่ายเนี่ยแสดงว่าอะไรประเมินได้ไหมระหว่างดีกับชั่วเราจะเป็นพวกไหนมากกว่ากันสัดส่วนดีกับชั่วถ้าเราอยากรู้สึกว่าปรุงชั่วง่ายนะถ้าเราเป็นคนดีจริงๆนะ ปรุงชั่วยากนะอยากจะให้โกหกคนสักคนนะตะคิดตะขวงใจนะพูดไม่ออกเลยนะจะโกหกเขาไม่ได้จะแค่โกงเขาก็ไม่ได้เห็นเขาทํากระเป๋าสตางค์หล่นนะจะเอาของเขาก็ยังเอาไม่ได้เลยแม้ใ่ความปรุงแต่งนะมันปรุงไปตามความเคยชินนะใจเราเคยชินทางนี้มันก็ปรุงทางนี้ใจเคยชินทางนี้ก็ปรุงไปทางนี้เคยชินที่จะเบียดเบียนก็ปรุงเบียดเบียนนะเคยชินที่จะเมตตามันก็เมตตาเนี่ยนะมันเป็นความเคยชิน แต่ว่าไม่ว่าจะปรุงดีหรือปรุงชั่วก็อยู่ชั่วคราวนะความดีอยู่ได้ชั่วคราวแล้วก็ดับไปอย่างเช่นอยากฟังธรรมอยู่ชั่วคราวนะพ่อถ้าหลวงพ่อเทศไปเรื่อยๆไม่เลิกนะเราอยากกลับบ้านนะไม่อยากฟังนะงั้นะความปรุงดีก็อยู่ชั่วคราวความปรุงชั่วก็อยู่ชั่วคราวนะโกรธก็ชั่วคราวนะบางคนบอกจะโกรธตอนเด็กๆนะเวลาโกรธกับเพื่อนนะโกรธร้อยปีอะมาดีร้อยชาติเคยท่องบ้างไหม ไม่ถึงร้อยปีร้อชาติหรอกนะ 2- องนาทีก็ดีกันอีกแล้วบางทีร้องไห้นะน้ำตายัางเปียกตาอยู่เลยหัวเราะอีกแล้ว ใ, ใจมันเปลี่ยนตลอดเวลานะความปรุงแต่งของใจเัือกสังขารเปลี่ยนตลอดเวลาจิตใจก็เป็นของที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตเราเดี๋ยวก็เป็นคนดูเดี๋ยวก็เป็นคนฟังเดี๋ยวก็เป็นคนคิดนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เ, เวลาที่เราดูทีวีเรารู้สึกไหมเวลาดูทีวี เรานึ้อว่าตาเราดูหูเราฟังใช่ไหมใจเราคิดพร้อมๆกันในความเป็นจริงทําคนละขณะกันในขณะที่ดูไม่ได้ฟังขณะที่ฟังก็ไม่ได้ดูนะแล้วก็ไม่ได้คิดขณะที่คิดไม่ได้ดูได้ฟังงั้นอย่างเวลาที่เรานั่งอ่านหนังสืออยู่แล้วพอเราใจเราไหลไปคิดนะเผลอไปคิดเนะ่ยเราไม่ได้อ่านหนังสือแล้วตรงนี้นึกออกไหมนะตาเราไม่เห็นนะตาเราจ้องหนังสืออยู่เนี่ยแต่ใจเราคิดนะั้นเราดูตัวหนังสือไม่ได้ละ งั้นจิตเองเนี่ยนะเกิดดับได้ทีละขณะขณะได้ทีละช่องด้วยนะมันเกิดทางตามันก็ไม่เกิดทางหูเกิดทางหูมันก็ไม่เกิดที่ตาไม่เกิดที่ใจอย่างบางคนนะไปที่ร้านอาหารนะร้านอาหารเนี่ยอร่อยมากเลยนะอร่อยแล้วก็มีดนตรีให้ฟังนะอาหารอร่อยนะมีสาวสวยมาเสิร์ฟให้ดูเนี่ยกะว่าเสียเงินแพงๆเพื่อจะบริโภคให้มาก พวกนี้ไม่ใช่ชาวพุทที่แท้จริงถ้าเป็นชาวชุดที่แท้จริงเนะี่ยจะพบว่าขาดทุนยับเยินเลยในขณะที่เราฟังเพลงนะั้นเราตักข้าวใส่ปากที่แสนอร่อยเราไม่รู้รสนะเราไม่ได้รู้รสเลยตักไปงั้นนะ่ะสมมติเราไปเห็นสาวสวยนะั้นเราตักข้าวกินไปหมดจานยังไม่รู้เลยเห็นแต่สาวสวยนี่ขาดทุนแล้วนะซื้อบริการที่จะได้ของอร่อยได้เสียงเพลงเพราะได้เห็นสาวสวยสถานที่งดงามเลยนะี่ยมันเสพได้ทีละช่องเองนะ หรือว่าในขณะที่ฟังเพลงใช่เราไปทำอย่างอื่นนะเราเราอยากินข้าวไปฟังเพลงไปนะเพลงนี้เพราะเราไม่รู้รสข้าวแล้วนะจิตจะไม่รู้รสทางลิ้นละลิ้นเนี่ยไม่รู้รสเลยนะจิตรับรู้ไม่ได้ง้จิตเนี่ยจะหมุนเวียนนะเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดสลับกันตลอดเวลานะงั้นเราคอยดูจิตที่ไปดูก็อยู่ชั่วคราวจิตที่ไปฟังก็อยู่ชั่วคราวจิตที่ไปคิดก็อยู่ชั่วคราวนะ รวมความแล้วจิตทุกชนิดอยู่ชั่วคราวพระจิตสุขก็อยู่ชั่วคราวจิตทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวจิตดีก็ชั่วคราวจิตรอบจิตโกรธจิตหลงก็ชั่วคราวนี่เรามาหัดูของจริงนะที่เรียกว่าขันท่าหรือว่าย่อลงมาก็คือกลกับใจของเรานะจะเป็นร่างกายนี้ก็แสดงความจริงให้เราเห็นว่ามันถูกความทุ่มบีบคั้นตลอดเวลา แลนะจะเป็นส่วนของนำมาทำความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายจิตใจทั้งหลายนะก็มีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้จะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วนะจะจำได้จําไม่ได้หรือจิตจะไปทางตาทางหูทางใจอะไรนี่ห้ามไม่ได้หลวงพ่อจะผ่าทดสอบอันหนึง่งที่นี่มีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งนะให้พวกเราตั้งใจดูพระพุทธรูปให้ดูเฉยๆนะห้ามคิดอย่างอื่นเลยนะเอาลองดู คิดไหมห้ามไม่ได้หรอกนะอย่าพยายามเลยนะห้ามไม่ได้อ่ะแล้วพอละเดี๋ยวพระพุทธรูปศึกหรอนะเห็นไหมในขณะที่เราดูนะใจตั้งใจจะดูนะมันดูได้ไม่ตลอดมันแอบไปคิดนะใจเนี่ยเป็นของห้ามไม่ได้นะใจจะหนีไปคิดก็ห้ามไม่ได้ใจจะวิ่งไปดูก็ห้ามไม่ได้นะใจจะวิ่งไปฟังก็ห้ามไม่ได้นะถ้าองค์ประกอบของมันครบนะมันก็เห็นรูปขึ้นมาอย่าง มีรูปมีตามีแสงสว่างมีการใส่ใจที่จะดูจิตมันสนใจที่จะดูยังไงมันก็มองเห็นนะี่มันมีแต่ของที่เราควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้ทางนั้นเลยเนี่ย ก, การที่เรามาคอยรู้อยู่ในกายรู้อยู่ในใจเนี่ยนะนะหรือรู้ขันห้าเนี่ยเรียกว่ารู้ทุกขนะ์เพราะท่านสรุปแล้วว่าขันห้าคือตัวทุกข์กายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์การที่เรารู้ทุกข์บ่อยๆนะจนวันหนึ่งเนี่ยปัญญามันแจ่มแจ้งขึ้นมา มันเห็นความจริงเลยกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกนะมันจะละความอยากได้นะความอยากนานาชนิดที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยถ้าย่อลงมาสรุปลงมานะมันคือความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขความอยากให้กายให้ใจพ้นจากทุกความอยากที่นานาชนิดนะอยากมีแฟนเพื่ออะไรอยากมีแฟนเพื่อจะทุกข์ไหมก็ไม่ใช่ใช่ไหมอยากมีแฟนหวังว่าจะมีความสุขอะไรเงี้ยนะ กลุ้มใจไปกินเล่ากินเล่าหวังว่าจะทุกข์ไหมไม่อยากให้มีความสุขอยากจะพ้นจากทุกข์เนี่ยเพราะความอยากทุกชนิดนะพฤติกรรมทั้งหลายที่เราไปทําตามความอยากเนี่ยทําไปเพื่อวิ่งหาความสุขเพื่อวิ่งหนีความทุกข์ทั้งสิ้นเลยมันมีความอยากขึ้นมาผลักดันให้จิตใจเราดิ้นรนกวนกระไว้วไปแต่ถ้าเมื่อไรปัญญาแก่รอบนะเห็นความจริงของกายของใจแล้ว กายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้นะความยึดถือมันจะหมดไปเพราะความยึดถือในกายหมดนะเพราะกายแก่เนี้ยเป็นเรื่องของกายเรืนะ่อกายจะเจ็บกายจะตายก็เรื่องของกายนะเวลาใจของเรานะไม่ยึดถือใจแล้วเนี้ยความทุกข์ก็ไม่เข้ามาสู่ใจอีกความอยากจะไม่เกิดขึ้นในใจอีกเลยนี่เป็นวิธีที่เราจะฝึกฝนตัวเองนะจนกระทั่งเรา ละความอยากได้ทั้งสิ้นเลยการละสมุทัยละความอยากเนี่ยทำได้หลายแบบคนทั่วๆไปหรือสัตว์ทั่วๆไปละความอยากนะด้วยวิธีสนองความอยากอยากกินไปกินแล้วก็หายอยากใช่อยากนอนไปนอนแล้วก็หายอยากอยากได้อะไรแล้วก็ไปซื้อมาเดี๋ยวก็หายอยากนี่วิธีสนองความอยากมันแก้ความอยากได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวๆก็เกิดความอยากอันใหม่ก็ทุกข์ใหม่อีก อีกพวกหนึ่งเห็นว่าถ้ามีความอยากขึ้นมานะต้องฝืนมันปฏิเสธมันตลอดนะอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนทรมานไปเรื่อยหวังว่าจะพ้นความอยากมันก็ไม่พ้นจริงพระพุทธเจ้าท่านทดลองอยู่ตั้งหลายปีนะทรมานร่างกายทรมานมากมายหวังว่าจะพ้นจากอำนาจของความอยากก็พ้นไม่ไดนะ้ผู้มีปัญญาเนี่ยทำลายความอยากด้วยการมีปัญญานะรู้ความจริงของกายของใจว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วน ถ้าเห็นความจริงของกายของใจอย่างนี้ได้นะความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกพราะเมื่อเราเห็นความจริงว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยความอยากให้กายเป็นสุขก็จะไม่มีนะก็มันเป็นตัวทุกข์จะอยากให้เป็นสุขได้อย่างไงความอยากให้กายพ้นทุกข์ไม่มีความอยากให้กายเป็นสุขไม่มีมันเป็นตัวทุกข์มันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้หรือผู้มีปัญญาแก่รอบจริงๆนะเห็นว่าตัวจิตนี่เป็นตัวทุกข์ถ้าเห็นว่าตัวจิตเป็นตัวทุกข์เนี่ยอย่างแจ่มแจ้งแล้วเนี่ยความอยาก ที่จะให้จิตใจเป็นสุขไม่มีมันมีไม่ได้ไม่รู้จะมีไปทําไมมันเป็นตัวทุกข์อยากให้สุขก็ป่วยการความอยากให้จิตพ้นทุกข์ก็ไม่มีเพราะจิตเป็นตัวทุกข์จะให้มันพ้นทุกข์ได้ยังไงเหมือนอยากให้ไฟไม่ร้อนไฟมันมีหน้าที่ร้อนมันก็ร้อนของมันเพราะฉนั้นถ้าเมไรที่เรารู้กองขันแจมแจ้งรู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งตามความเป็นจริงนะว่ากายนี้ใจนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ของดีของวิเศษนะ ถ้ารู้แจ้งอย่างนี้แล้วเนี่ยความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกเพราะนั้นการรู้ทุกข์นะทันทีที่รู้ทุกข์ขณะใดที่รู้ทุกข์ขณะนั้นสมู ท, ทยัยคือความอยากนั้นถูกละเรียบร้อยแล้วขณะใดที่ละความอยากในขณะนั้นจะแจ้ง น, โ น, นิโรธเพราะนิโรธคือพระ น, นิพพานคือสภาวะที่พ้นจากความอยากเั้นรู้ทุกข์เมื่อไหร่ละสมูทัยเมื่อ น, นั้นละสมูทัยเมื่อไหร่แจ้งนิโรธเมื่อนั้น ในขณะที่รู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธขณะนั้นแหละคือขณะแห่งอริยมรรคจะเกิดขึ้นในพร้อมๆกันนะทั้งการรู้ทุกข์การละสมุ ท, ทยัยการแจ้งนิโรธการเกิดอริยมรรคเกิดในขณะจิตเดียวกันพร้อมๆกันนะนี่กระบวนการที่จิตมันจะก้าวออกไปจากโลกนะมันจะรู้ทุกข์แจ่มแจ้ง ทันทีที่รู้ทุกข์แกมแจ้งมันละตัณหาได้ละสมูทัยละความอยากได้ทันทีที่สิ้นอยากนะจิตก็ถึงพระนิพพานเพราะนิพพานคือสภาวะที่สิ้นอยากนะขณะนั้นแหละอริยมรรคจเกิดขึ้นแล้วหน้าที่ของเราต่อไปนี้รู้ทุกข์ให้มากนะรู้มากๆรู้บ่อยๆวิธีรู้ทุกข์ทำยังไง ร, รู้ทุกข์คือรู้ความจริงของกายของใจใช่ไหมเราจะรู้ความจริงของกายของใจได้ก็ต้องอันแรกเลย ต้องไม่ลืมกายไม่ลืมใจคนในโลกนี้มีร่างกายแล้วลืมร่างกายตลอดเวลามีจิตใจแล้วลืมจิตใจตลอดเวลานะพวกเราเวลาใจลอยรู้จักใจลอยไหมเวลาใจลอยเรามีร่างกายเราก็ลืมใช่ไหมยุงกัดตอนใจลอยเคยถูกยุงกัดไหมตอนใจลอยรู้ไหมไม่รู้อ่ะยุงกัดจนยุงอ้นวนบินไม่ไหวแล้วนัคันแล้วนะถึงค่อยไปรู้ทีหลังอะไรเงี้ยเงี้นเวลาที่เราใจลอยไปนะ มีร่างกายเราก็ลืมมีใจเราก็ลืมใจเราเป็นสุขเราก็ไม่รู้ว่าใจเราเป็นทุกข์ก็ไม่รู้ใจเราดีใจเราร้ายก็ไม่รู้นะอย่างเราไปดูข่าวดูอะไรนะใจเราเศร้าหมองนะข่าวตอนนี้ไม่ค่อยมีข่าวที่เป็นกุศลมีแต่ข่าวที่เครียดๆทางนั้นเลยเราไปดูข่าวแล้วก็เห็นอะไรเห็นข่าวรู้อะไรรู้ข่าวรู้ไหมใจของเรากํางลังเศร้าหมองไม่รู้หรอก งั้นเราเนจะลืมตัวเองมีร่างกายเราลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจงั้นงั้นไขแรกนะของการที่จะรู้ความจริงของกายของใจหรือรู้ทุกได้เนี่ยต้องไม่ลืมกายต้องไม่ลืมใจต้องรู้สึกตัวงั้นความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติต้องรู้สึกตัวให้เป็นอย่าใจลอยแต่การรู้สึกตัวไม่ใช่บังคับให้รู้สึกตัวนะบางคนไปฝึกบังคับให้รู้สึกตัวนะเช่นจะหยิบแก้วน้ํา หรือจะหยิบกระติกน้ำเนี่ยความจริงเนี่ยนะขยับแค่เนี่ยหนีไปคิดตั้ง20รอบล้วลืมตัวเองไป20ครั้งแล้วทำแกล้งทําอะไรให้ช้าๆหวังว่าจะรู้สึกไม่รู้สึกหรอกไปเดินจงกรมเดินช้าๆแอบไปคิดตลอดใช่ไหมขณะที่หนีไปคิดลืมตัวเองละลืมกายลืมใจละเมื่อไรหนีไปคิดนะเมื่อนั้นลืมกายลืมใจเมื่อไรเผลอไปดูก็ลืมกายลืมใจเมื่อไรเผลอไปฟังก็ลืมกายลืมใจสรุป เมื่อไรเผลอเมื่อนั้นก็ลืมเมื่อไรเผลอก็ไม่รู้สึกเห็นไหมถ้าลืมตัวไปเผลอไปก็ไม่รู้สึกมันตรงข้ามกันอยู่แล้วงั้นความเผลอไปความลืมตัวไปนะเป็นศัตรูอันดับหนึ่งของนักปฏิบัติเราอย่เผลอนานห้ามเผลอได้ไหมห้ามไม่ได้จิตมันเคยชินที่จะเผลอมันเผลอได้แต่อย่าให้เผลอนานค่อยกลับมารู้สึกใจรู้สึกใจบ่อยๆเบือบ้ อ, องต้นทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่ง ใครอยากได้มักผลนิพพานบ้างมีไหมในห้องนี้ถามจริงๆใครอยากได้ใครอยากได้แค่โสดาไม่อยากถึงนิพพานขอแค่โสดามีไหมใครอยากสร้างบา ร, รมีแล้วต่อไปค่อยได้มีไหมใครไม่อยากเลยอยากจมเวจี <laughs> ถ้าเราอยากได้ของดีของวิเศษนะของดีของวิเศษอยู่ที่กายที่ใจนี้แหละไม่ต้องไปหาที่อื่นของดีของวิเศษไม่ได้อยู่ที่วัด ไม่ได้อยู่ที่พระะแต่อยู่ที่ตัวเราเองนะเรามาหาของดีของวิเศษในกายในใจของเรานี้วิธีฝึกนะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเคยได้ยินคำนี้ไหมจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวตรงข้ามกับลืมเนื้อลืมตัวใช่ไหมเพราะงั้นงานแรกก็คือให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะั่นแหละวิธีที่ให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะจะบังคับมันเนี่ยไม่ได้ห้ามบังคับนะบังคับแล้วจะเครียดอย่างที่จ้องเนี้ยจ้องแล้วก็บังคับไม่ได้จริงอ่ะ นะแกล้งทําช้าๆจิตมันก็ไม่ช้าไปด้วยนะมันหนีเราต้องพยายามฝึกเบื้องต้นทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งถ้าอยากได้มรรคผลนิพพานเร็วๆนะจะไม่ขี้เกียจนอนตีแปรงอยู่ทุกวันนะแล้วบอกอยากได้นิพพานอยากได้นิพพานไม่ได้กินหรอกหรือมาทมําบุญมาใส่บาตรนะมาฟังหลวงพ่อประโมทเทศอยากได้นิพพานแต่ไม่ปฏิบัติอะ่ะไม่มีทางหรอกนะ แม้ถ้าอยากได้ในผ่านจริงๆอยากได้มักได้ผลจริงๆนะหรืออยากจะเป็นคนดีคนมีความสุขจริงๆต้องลงทุนการลงทุนไม่เสียสตังนะลงทุนฝึกตัวเองให้มีความรู้สึกตัวนะทุกวันทำกรรมฐานสักอย่างหนึง่งที่ใจเราพอใจคนไหนพุโทโธแล้วมีความสุขก็พุโทโธไปคนไหนรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขก็รู้ลมหายใจ คนไหนดูท้องพองยุบแล้วมีความสุขก็ดูท้องพองยุบไปคนไหนเดินจงกรมแล้วมีความสุขก็เดินไปคนไหนสวนมดมนต์แล้วมีความสุขก็สวดไปแต่ไม่ว่าทำอะไรนะจะพุโทโธจะรู้ลมหายใจดูท้องพองยุบจะเดินจงกรมจะสวดมนต์หรืออะไรก็ตามให้คอยรู้ทันจิตไว้เช่นพุโทโธพุโทโธนะจิตหนีไปคิดรู้ทันพุโทโธพุโทโธจิตไปเพ่งว่างๆอยู่รู้ทัน หรือรู้ลมหายใจแล้วก็คอยรู้ทันจิตหายใจไปหายใจไปจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งจ้องนิ่งอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันตอนที่จิตไปจ้องลมหายใจนี่จิตก็เคลื่อนไปอยู่ที่ลมนะจิตจะเคลื่อนไปนั้นจิตจะไม่ตั้งมั่นอยู่เป็นผู้ดูอยู่หรอกแต่จิตจะเคลื่อนเวลาดูท้องพองยุบนะเราก็รู้ทันจิตอีกดูท้องพองยุบไปจิตนี้ไปคิดก็รู้จิตไหลไปอยู่ที่ท้องไปจ้องอยู่ที่ท้องก็รู้ สรุปก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาจิตเราจะไหลไปไหลมาตลอดเวลาอย่างเมื่อกี้ให้ดูพระพุทธรูปจิตก็ไหลไปคิดใช่ไจิตมันไหลไปคิดได้จิตเราไหลไปไหลมาตลอดเวลาเพราะั้นเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาต่อไปพอจิตมันไหลปุ๊บเรารู้ทันจิตใจมันจะกลับมาอยู่ที่ตัวเองมันจะไม่ไหล ตรงที่จิตใจไม่ไหลไปจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยมีสองแบบแบบที่1เป็นแบบที่เป็นธรรมชาติธรรมดานะวิธีนี้ดีที่สุดก็คือการรู้ทันจิตที่ไหลไปนะงั้นเราทำกรรมฐานนะจิตไหลแล้วรู้ทันทีที่รู้ว่าจิตไหลไปจิตก็จะกลับมาอยู่กับตัวเองโดยไม่ได้บังคับการรู้ตัวอีกอย่างหนึ่งเนี่ยบังคับให้รู้สึกตัวอนี้ใช้ไม่ได้เลยนะใจจะเครียดเครียดทื่อๆเนี่ย ส่วนใหญ่ที่ทำกรรมฐานกันเนี่ยจะ ท, ทื่อๆอย่างเงี้ยเนี่ยบอกรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาหลวงพ่อทำหน้าให้ดูเนี่ยรู้ตลอดเลยเห็นหแต่รู้ผิดมนุษย์มนาเห็นาเด็กนะมีข้อดีเด่นกว่านักปฏิบัติอยู่เรื่องหนึง่งคือเด็กไม่มีมารยานะเด็กไม่มีมารยาเด็กมีอารมณ์มีความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติ เดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ใช่ไร้องไห้น้ำตายังไม่แห้งก็หัวเราะได้อีกแล้วจิตมันเปลี่ยนตลอดเวลาเด็กไม่แทรกแสงไม่บังคับจิตใจนะร่างกายก็ไม่บังคับใจมันก็ไม่บังคับนะั่นปล่อยให้ทำงานแต่เด็กเนี่ยมีข้อเสียคือขาดสติเด็กไม่เคยรู้เลยว่าร่างกายตัวเองเป็นยังไงจิตใจตัวเองเป็นยังไงพวกเรานักปฏิบัตินี่นะมีข้อดีคือเราฝึกมีสตินะ คอยรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจแต่กายกับใจของเราเนะี่ยถูกดัดแปลงให้ผิดธรรมชาติไปนะเพราะฉะนั้นเราต้องสวมวิญญาณเด็กไว้นะอย่าไปดัดจริตนะแกล้งทำเป็นดีนะภาวนานะอย่าทำเคยเดินไงก็เดินมันท่า น, นั้นแหละนะไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนอิริยาบถเลยนะเคยนั่งอีท่าไหนก็นั่งสูงนั่งอย่างนี้ได้ไหมภาวนาได้ไหมนั่งอย่างนี้นั่งอย่างนี้ก็ได้ไหมจะนั่งยกแข้งยกขานะ หลวงพ่อพุธเกยสอนหลวงพ่อนะภาวนาเป็นนะเอาหัวทิ่มพื้นนะเอาเท้าชี้ฟ้าแบบโยคนะนั้นก็ทำได้นะนะปัญหามันอยู่ที่ว่ารู้สึกตัวให้เป็นนะอย่าไปบังคับมันถ้าบังคับนะเมื่อไหร่นะใจมันจะแน่นๆนักปฏิบัติเกือบทั้งหมดเลยนะที่ทำผิดนะ่ะก็คือไปบังคับตัวเองจนมันเครียดขึ้นมานะร่างกายก็แข็งแข็งผิดมนุษย์มนาใจก็เครียดเครียดแข็งแข็งผิดมนุษย์มนา สวมหัวใจของเด็กไว้นะแล้วก็มีสติตรงนี้แหละที่เหนือเด็กเด็กไม่มีสตนะิงั้นต่อไปนี้นะร่างกายเราเคลื่อนไหวเราก็รู้สึกจิตใจเราเคลื่อนไหวเราคอยรู้สึกนะแต่ถ้ามันไม่รู้สึกมันหนีไปเรารู้ทันเพา ร, รู้ทันมันจะกลับมารู้สึกอย่างถูกต้องแต่ถ้าจงใจจะรู้สึกนะบังคับตัวเองจะทื่อๆเลยนะผิดธรรมชาติธรรมดาใช้ไม่ได้นะจะแข็งเกินไปเครียดเกินไปเป็นอตัตตะกิลมฐานุโยค ตึงเครียดเกินไปงั้นเราแค่รู้สึกนะภาษาที่ดีที่สุดในภาษาไทยกนะ็คือแค่รู้สึกเท่านั้นที่ว่าดูจิตดูจิตนะจริ ง, รงๆเขารู้สึกถึงจิตไม่ใช่ไปดูมันนะแค่รู้สึกถึงจิตใจของตัวเองรู้สึกถึงร่างกายของตัวเองนี้พอเรารู้สึกตัวเป็นล้จิตใจอยู่กันเนื้อกับตัวโดยการซ้อมทุกวันนะทํำกรรมฐานอย่างห น, นึ่งจิตหนีไฟเรารู้ไม่ห้ามไม่ดึงเอาไว้ด้วยถ้าดึงเราจะแน่นจิตหนีแล้ว ร, รู้จิตหนีแล้ว ร, รู้ฝึกบ่อยๆ แต่ไปจิตมันไห i, ไลไเผลอไปเมื่อไหร่น้ําจะกลับมารู้สึกตัวเองนะมันจะรู้สึกตัวอัตโนมัติเลยคราวาาก็ทําได้นะพ่อหลวงพ่อทําได้ตั้งแต่เป็นคราวาาเรื่องความรู้สึกตัวเนี่ยครูบาอาจารย์บางองค์เรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เลยนะผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้อะไรผู้รู้สึกตัวนะไม่ใช่ผู้รู้พิเศษวิโสรู้หวยรู้เบอร์อะไรไม่ใช่เป็นผู้รู้สึกตัวในขณะที่คนในโลกเนี่ยไม่มีรู้สึกตัวมีแต่คนหลง มีแต่คนมีร่างกายก็ลืมกายมีใจก็ลืมใจเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราพยายามรู้สึกตัวให้บ่อยๆใจเผลอไปแล้วรู้ทํากรรมฐานอย่างหนึ่งนะต้องทําอย่างหนึ่งถ้าไม่ทํากรรมฐานเลยแล้วรู้ยากเผลอจะยาวเผลอนานเผลอตั้งแต่เช้ายันเย็นเน่ถ้าเราทํากรรมฐานไว้อย่างหนึ่งแล้วเผลอแล้วเรารู้เนี่ยเราจะเผลอไม่นานเดี๋ยวจะกลับมาทํากรรมฐานต่อฉั้นเราช่วยด้วยการทํากรรมฐานอย่างหนึ่งนะพอเรารู้สึกตัวเป็นแล้วต่อไปทําไงขั้นที่2องขั้นแรก รู้สึกตัวเป็นขั้นที่2ให้เห็นความจริงของกายของใจเราจะเห็นความจริงของกายของใจได้ต้องไม่แทรกแสงไม่บังคับกายบังคับใจนะปล่อยให้กายทํางานไปปล่อยให้ใจทํางานไปเรามีสติ ق. ตามรู้ตามดูไปร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกรู้สึกว่ายังไงรู้สึกเห็นร่างกายมันหายใ จ, ม, ม, ใาายใจมันไม่ใช่เราหายใจอีกต่อไปแล้วนะร่างกายมันยืนร่างกายมันเดินร่างกายมันนั่งร่างกายมันนอนใจเราเป็นคนดูนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราอีกต่อไปแล้ว รู้สึกในจิตในใจนะเห็นแต่ความไม่เที่ยงนะแปรปรวนตลอดเวลาความสุขมาก็ชั่วคราวความทุกมาก็ชั่วคราวโลภกรดหลงมาก็ชั่วคราวความสุขก็ไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความทุกข์ก็ไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าโลภกรดหลงก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอะไรๆไม่มีเราเลยต่อไปก็เห็นอีกกระทั่งตัวจิตก็ไม่ใช่เรานะเราสั่งมันไม่ได้ เราสั่งให้รู้สึกตัวมันก็เผลอ ส, สั่งไม่โกรธมันก็โกรธสั่งไม่โลภมันก็โลบได้สั่งให้สุคมันไม่สุขมันเติดทุกข์อะไรเงี้ยมีแต่ของห้ามไม่ได้ควบคุมไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าการทํำวิปัสสนากรรมฐานนะการเจริญปัญญาที่แท้จริงการรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็ดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นก็จะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของกายของใจถ้าเห็นมากเข้ามากเข้านะใจมันจะคลายความยึดถือออก มันจะเห็นความจริงของกายแล้วมันจะหมดความยึดถือกายนะมันเห็นความจริงของจิตใจมันจะหมดความยึดถือจิตนะนจะเป็นลำดับไปนะเบื้องต้นมันจะปล่อยวางกายก่อนเพราะว่าปล่อยง่ายกว่าทาั้งทั้งที่เวลาเราปฏิบัติไม่จำเป็นว่าต้องดูกายก่อนนะเราดูจิตของเราไปเนี่ยแต่เวลาจิตมันปล่อยวางนะจะวางกายได้ก่อนจะวางจิตได้ทีหลังนะาจิตนี่เป็นของประเภตบางคนว่ามันเป็นทิปเลยนะมันเป็น เป็นของเป็นทริปเป็นของอัศจรรย์ของวิเศษปล่อยวางยากนะแต่ว่าถ้าเราภาวนาไปเรื่อยเราตามรู้ตามดูเห็นความจริงของจิตจนถึงวันหนึ่งก็จะเห็นว่าจิตก็ไม่ใช่ของดีของวิเศษจิตจะปล่อยวางจิตดดนหลวงปู่ดูลย์สอนจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมัจนี่ท่านพูดแบบรวบรวบย่อๆอ่าพลางเล็กน้อยคือพูดชัดๆมันก็น่าเกลียดถ้าพูดตรงๆก็คือจิตเห็นจิตอย่างแจม่มแจ้งเป็นอรหัตมัจ จะข้ามภพผ้ามชาติเลยตรงนั้นเรียว่ารู้ทุกแจมแจ้งนะตัวทุกตัวสุดท้ายที่จะแจมแจ้งก็คือตัวจิตนี่แหละจะแจ้งเลยตัวจิตนี้เป็นตัวทุกเมื่อจิตตัวเดียวนี้เป็นตัวทุกนะไม่ว่าจิตจะย่างลงไปสู่ภพภูมิใดๆนะก็เป็นทุกไปหมดเลยทุกภพทุกชาตินะเป็นทุกไปหมดจะเกิดเป็นเทวดาก็ทุกนะจะเกิดเป็นพรหมก็ทุกอีกเนี่ยสติปัญญามันแก่รอบถึงขนาดนี้นะเพราะอะไรตัวจิตนั่นแหละตัวทุก งั้นเอาตัวทุกข์ไปฝังลงไปตรงไหนไปงอกขึ้นมาก็งอกขึ้นมาเป็นต้นทุกข์ขึ้นมาอีกนะงั้นจิตดวงเดียวนี้เองคือตัวทุกขนะ์เป็นเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้นะเอาหยั่งลงไปก็ไปงอกขึ้นมาเกิดรูปเกิดนามเกิดกายเกิดใจเกิดทุกข์ขึ้นมาอีกนะงั้นปัญญาแก่รอบนี้ทำลายเมล็ดผลไม้อันนี้คือทําลายตัวทุกข์นี้ทำลายตัวจิตเองนะถัดจากนั้นจิตจะแปลสภาพเป็นธาตุรู้นะ เป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ไม่ใช่จิตอย่างที่พวกเรารู้จักละนะอันนั้นเราค่อยๆเรียนทีหลังเมื่อเราพอนานได้พระนาคาแล้วมาเรียนต่อนะถึงขั้นทำลายตัวผู้รู้ละนะขั้นนี้สรุปขั้นนี้นะง่ายๆที่สุดถือสี่ห้าไว้ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวนะอย่าใจลอยนานวิธีฝึกก็คือทำกรรมฐานอย่างหนึง่งนะแล้วจิตเผลอไปเรารู้จิตเผลอไปเรารู้ จิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวขั้นที่3ดูความจริงของกายของใจเรื่อยไปนะดูมันนะไม่แทรกแซงมันนะไม่ใช่บังคับกายบังคับใจนะถ้าถ้าบังคับกายบังคับใจเรียกตึงเกินไปเรียกอัตตะกิลมัฐานนิยกตึงเครียดเกินไปถ้าลืมกายลืมใจเรียกว่าหย่อนไปเป็นการมาสุขานยการนิโยโคนะงั้นรู้สึกกายรู้สึกใจเนี่ยเป็นทางสายกลางรู้สึกอย่างที่เขาเป็นไปนเรื่อย สรุปนะถือสี่ห้าไว้ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วดูความจริงของกายดูความจริงของใจเรื่อยๆไปแล้วมรรคผลนิพพานจะเกิดเองไอ้ที่เราอยากได้ก็ถึงจะได้ถ้าไม่ทำอย่างที่บอกนะก็ได้แต่อยากอยากได้นิพพานไม่ได้หรอกถึงจะมาขอพรเจ้าประคูณหลวงพ่อประโมทช่วยให้พรให้หนูบรรลุมรรคผลให้ไม่ได้หรอกต้องทาเอาเอง ศา ส, สนาพุทธไม่ใช่ศาสนาของนักอ้อนวอนร้องขอนะเป็นศาสนาที่เป็นกรรมวารีต้องลงทุนลงแรงทำเอาเองใครทําก็ได้อย่างนั้นแหละอันี้สมควรแก่เวลานะเทศได้45นาทีตามมาตรฐานหลวงพ่อประโมทนะใครมีความสุขยกมือซิเห็นไหมว่าเมื่อกี้เผลอเมื่อกี้เรามีความสุขแต่เราไม่รู้นึกออกไหมมีความสุขแต่เราไม่รู้ตัวเอง แลเราพยายามรู้สึกแต่ถ้ารู้แบบจ้าอย่างนี้ตึงเกินไปนะรู้สบายๆอาเชิญ sure. กับนับส ก, การ์ข้าหลวงพ่อผมก็ได้เรียนรู้ตามแนวหลวงพ่อมาประมาณ5ปีนะครับก็ก็มีสตริรู้กายรู้ใจได้แต่ว่ารู้ชัดๆตัวเองเลยประเมินตัวเองแล้วรู้เลยว่าสมาธิไม่ค่อยดี <c oughs> แล้วก็ช่วงปีเนี่ยปีช่วงนี้ช่วงปีใหม่ใช่ไหมผมก็ตั้งใจว่าปีเนี้ย จะบริกรรมอะไรให้มันมีวินัยมากขึ้นเพื่ออย่างแรกเลยผมอยากเพิ่มสมาธิให้มันดีดีกว่า น, นี้เพราะว่าผมเนี่ยสมมติรู้อะไรก็อาจจะรู้ได้ช่วงสั้นๆแล้วก็ไม่เป็นสตรีมไปๆนะฮะก็ปีนี้จะตั้งใจจะมีวินัยเยอะขึ้น<ด>นะเราต้องรู้เราต้องรู้นะว่าเรามีจุดอ่อนอะไรจุดแข็งอะไรนะถ้าเรารู้เราก็ดูแล้วก็หากรรมฐานที่เหมาะกับเราอย่างเรารู้แล้วว่า จิตเราไม่ตั้งมั่นพอหรือจิตเราฟุ้งไปไม่มีแรงทํากรรมฐานแล้วก็ทําฝึกจิตให้มีแรงแล้วก็มาดูว่ากรรมฐานอะไรที่จะเหมาะกับเราไม่ต้องเรียนแบบคนอื่นไปดูเอาเองดูว่าถ้าจิตของเราอยู่ถ้าการฝึกจิตให้มีสมาธินี่มีสองลักษณะอันหนึ่งให้จิตสงบอันที่สองให้จิตตั้งมั่นถ้าจิตเราฟุ้งซ่านมากเราฝึกให้สงบวิธีฝึกให้สงบนะคือน้อมจิต ไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องก็เป็นอารมณ์ที่มันไม่เป็นอกุศลนะเป็นอารมณ์ที่ดีๆนะถ้าเราพุโทโธแล้วมีความสุขเราก็พุโทโธไปจิตเราก็สงบรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขนะจิตก็สงบอะไรเงี้ยเราดูบางคนส่วนมนต์ไปเรื่อยจิตก็สงบว่ามีความสุขนะอีกสมาธิหนึ่งก็คือการฝึกจิตให้ตั้งมั่นนะถ้าจิตไหลเรารู้จิตไหลเรารู้ทํากรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วจิตไหลเรารู้อย่างเงี้ยมันจะตั้งมั่น ฝึกสมาธิให้ได้ทั้ง2องงนเลดีที่สุดละอันนึงเอาไว้พักผ่อนอันนึงไว้เดินปัญญาครับผมขณะนี้เราแทรกแซงจิตดูออกไหมอ่ายังไม่ชัดครับรู้สึกไหมว่ามันนิ่งกว่าความเป็นจริงรู้สึกครับนะอันนี้พอเราไปบังคับมันครับผมให้รู้ว่าบังคับนะครับอ่ะเชิญขอบคุณครับกราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อ เออโยมตอนนี้โยมตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ว่าไม่เดือดร้อนนะเจ้าค่ะตอนนี้มีอารมณ์เกิดขึ้นก็จะไม่เดือดร้อนนะเจ้าค่ะก็ไม่บางทีก็ส่วนใหญ่จะไม่เห็นจิตส่งออกนอกด้วยเจ้าค่ะจิตตอนนี้เป็นธรรมชาติไหมปกติเป็นอย่างนี้ไหมมันจะมีแบบมึนๆอย่างนี้เหมือนกันนะเจ้า่อันนี้เราสร้างขึ้นมานะเราประคองประคองจิตเอาไว้นะรู้สึก หวนนึกถึงตอนเด็กๆอะจิตตอนเด็กๆที่ยังภานาไม่เป็นอะจิตที่ uh huh. เบิกบานกระดีกระดาได้อะไรเงี้ยน่ะเนี่ยจิตต้องอย่างนี้นะกระตะกี้ไม่ใช่เห็นไหมไม่เหมือนกัน uh huh. จิตอย่างนี้ต่างหางละที่จิตธรรมดานะจิตอย่างตะกี้เป็นจิตที่เราสร้างขึ้นมาให้มันนิ่งๆเพราะฉะั้นจะไม่มีกิเลสอะไรให้ดูหรอกเพราะมันนิ่งมีโมหะอยู่งั้นกระดีกระดาไว้นะ แล้ถ้ากดีกระดาแต่มันก็ไม่ค่อยเดือดร้อนอะไรนี่โอเคใช่ไหมเจ้าคะคือที่ไม่เดือดร้อนเนี่ยเพราะเราประคองจิตจนมันนิ่งอยู่นะ mm hmm. ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเราเวยไปหมดเลยมันมีตัวเฉยอยู่ถ้าตรับใดที่ภาวนานแล้วยังเหลือตัวเฉยอยู่นะแสดงว่าเรายัางแทรกแซงอยู่มีตัวเฉยอยู่ไหมอันนี้ก็กดีกระดานิดหน่อย <S <S เออนะให้มันกดีกระดาได้นะไม่ให้ผิดสีหน้าเท่านั้นแหละกดีกระดาเออท่องอย่างนี้ รู้สึกไหมว่ามันสว่างขึ้นรู้สึกสว่างขึ้นนะไม่งั้นจะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะโมหะมันจะครอบใช่ค่ะต้องอย่างนี้นะรู้สึกไหมมีความสุขผุดขึ้นมาแล้มีความสุขเนี่ยค่ะแล้วแล้วมันไม่เหนจิตส่งออกนอกนี่มันโอเคไหมเจ้าค่ะอย่างตอนเนี้ยมันหนีไปคิดมันไหลไปคิดตอนที่ถามหลวงพ่อเนี่ยจิตวิ่งมาหาหลวงพ่อแล้วแวบหนีไปคิดอย่างเงี้ยนีเราก็รู้เอา ไม่ไม่ต้องเป็นต้องเห็นนะรู้สึกตัวให้สบายๆแล้วก็จิตใจเปลี่ยนแปลงร่างกายเคลื่อนไหวอะไรคอรู้สึกไปเรื่อยๆต้อง<ย>มีอย่าบังคับให้นิ่งเริ่มอีกแล้วต้องมีวิหารธรรมเจ้าคะ่ะมันต้องมีนะแต่ว่าหวานดูที่สบายๆ อ, อะไรที่สบายใจเอาะละนั่นแหละคะ่ะกลับขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าคะ่ะอย่าประคองให้นิ่งนะ เนี่ยบางคนไม่เข้าใจที่หลวงพ่อสอนนะหลวงพ่อสอนช่วงแรกๆนะโอ้ยหลวงพ่อประโมทเลยสอนไม่ให้ทำสมาธิที่จริงสมาธิเนี่ยมี3แบบนะสมาธิชนิดที่1เป็นมิจฉาสมาธิสมาธิที่ไม่มีสตินะเป็นสมาธิที่โมหะแทรกต้องเลิกเลยอเนี้ยที่บอกให้เลิกให้เลิกก็คือให้เลิกสมาธิอย่างนี้สมาธิอย่างที่สองเนี่ยจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียว มีสติอยู่นะจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวอันนี้ต้องทําฝึกเพื่อให้เอาไว้เป็นที่พักผ่อนสมาธิอย่างที่สมีสติอยู่แล้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอันนี้จําเป็นที่สุดเลยเป็นสมาธิที่เอาไว้เดินปัญญาสมาธิมีหลายชนิดอันแรกเรียกว่าเป็นโมหสมาธิมิจฉาสมาธินะที่สองเป็นสมาธิชนิดที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งอยู่ด้วยกันเรียกอารมณูปนิชาน ใช้ทำสมถนะสมา ธ, ธิชนิดที่3ามเรียกลักขณูปนิชฌานจิตตั้งมั่นเห็นความเป็นไตรลักษณ์เรียกลักขณูปนิชฌานความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจขันมันจะแยกออกกายกายใจแยกออกแล้วมันจะเห็นไตรลักษณนะ์สมา ธ, ธิอย่างนี้ต้องมีไม่งั้นเกิดมรรคผลไม่ได้นะต้องฝึกดีหวานจะไปให้มันนิ่งก็แล้วกันเชิญ uh ได้ฟังท่านสอนยังมีข้อสงสัยอยู่เรื่องหนึ่งค่ะก็คืออย่าตามใจกิเลสแต่อย่าแทรกแซง hmm. ตรงนี้มันดูเหมือนเป็นเหรียญสองด้านนะคะ hmm. คืออย่างเช่นสมมติว่า เ, เรานั่งเพ่งอยู่เอามาอีกแล้ว เ, เกรงขาพอเรารู้ว่าเกรงขาก็ อย่าเกรงเดี๋ยวเดียอีกสักพักหนึ่งก็เอาเกรงขาอีกแล้วเอาอย่าไปเกรงมันสิเดี๋ยวเดีอีกสักพักหนึ่งก็เอาเกรงขาอีกแล้วเอ้ไอ้นี่มันแทรกแซงเลยไม่ทราบว่ามันเราเกรงอยู่แล้วเรามัน ม, มีสภาวะนะที่เป็นกลางกบสภาวะที่สุดตรงสองด้านยมเคยเห็นเรือใหญ่ๆจอดในทะเลไหมในแม่น้ําอะไรเงี้ยทอดสมอไว้นะเรือไม่กว้างน้ำใช่ไหม น้ำก็ไหลผ่านไปเรืเรือก็อยู่ส่วนเรือน้ําก็อยู่ส่วนน้ำเนี้ยแหละที่ว่าไม่กระทบกระทั่งกันนะเรือไม่ลอยตามน้ําไปแล้วเรือก็ไม่ขวางน้ําถ้าลอยตามน้ําไปก็คือหลงตามกิเลสไปขวางน้ําก็คือพยายามไปต่อต้านแทรกแซงดัดแปลงให้เรารู้อย่างที่มันเป็นนะเราเห็นว่ามันมาแล้วมันก็ไปไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันยกตัวอย่างเวลาความโกรธเกิดขึ้นนะความโกรธเกิดขึ้นหนะ้าที่เราให้รู้มัน หรือความทุกข์เกิดขึ้นในใจความทุกข์เกิดขึ้นเราอยากให้หายใช่ไหมหาทางแก้ถ้าหาทางแก้นี่นะเข้าไปแทรกแสงแล้วแต่ถ้าความทุกข์เกิดขึ้นเราก็ถูกความทุกข์ครอบงำจมอยู่ในความทุกข์อั น, นี้เรียกว่าย่อหย่อนไปนะถูกมันครอบงำไปมีอยู่ตรงกลางก็คือรู้อย่างที่มันเป็นนะรู้อย่างที่มันเป็นตรงที่ร่างกายเกล็งขึ้นมาเนี่ยเกิดจากโลภะนะเกิดจากโลภะอยากปฏิบัติอยากดี เราไม่เห็นที่ต้นต่อถ้าเราเห็นถึงต้นต่อแล้วมันจะไม่เกล็งหรอกให้ดูเข้ามาที่ต้นต่อของการเกร็งนะไม่ใช่ไปนั่งแก้การเกร็งเป็นคราวๆแต่ถ้ายังเห็นต้นต่อไม่ได้ก็แก้ไปเป็นคราวๆไปก่อนดีกว่าขอเคล็ดนะดีกว่าขาเคล็ดแต่ท่านคะบางทมีมันไม่ได้อยู่ตอนที่เราปฏิบัตินะคะเช่นขับรถนะคะขับรถเราใช้ขาขวาอืม แต่ขาซ้ายไม่รู้ไปยุ่งอะไรกับเขาด้วยเดี๋ยวเดียวก็เกรงเดี๋ยวๆดี๋ยวขับไปอีกสี่แยกหนึ่งเอาเกรงอีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะเใจอยู่ที่ใจใจเป็นคนสั่งกายใจเราเครียดขึ้นมานะมันก็เกรงถ้าเรารู้ทันจิตไป เ, เรื่อยๆต่ไปขับรถก็ไม่เครียดนะก็ไม่เครียดไม่เกรงขอบคุณค่ะกายมันเป็นเองไม่ได้กายเป็นไปด้วยจิตสั่งนะแมัสการข่าหลวงพ่อคือ ตื่นเต้นมากๆเลยอะค่ะหายใจดีแล้วหายใจลึกๆอย่างนั้นนะตั้งหลักไหมตรงนี้คือสวนดอกไมนะ้พูดออกไปยัง <c oughs> เห็นตัวอะไรยิ้มไหมนะพูดไม่ออกตรวจกันบ้านเลยนะรู้สึกในกายกใจเป็นคนละอันกัน ดูออกไหมอันเนี้ยดูออกบ้างค่ะกายกระใจเป็นคนละอันความสุขความทุกข์กระใจก็เป็นคนละอันเคยเห็นไหมเคยเห็นค่ะลบกรดลงกระใจก็เป็นคนละอันเคยเห็นไหมเคยเห็นค่ะขันแยกได้ละนะแยกขันเป็นละเมื่อแยกขันได้แล้วเนี่ยนะดูแต่ละขันมันทํางานได้เองยังเขียนไหมร่างกายมึงหายใจอยู่ใจเป็นคนดู เคยเห็นไหมเนี <ka pinpoint> ่ยตอนนี้ร่างกายขยับอยู่ร่างกายใจเต้นตุ้มๆอยู่ใจเราเป็นคนดูร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าความสุขความทุกข์กุศลอกุศลทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้านะเนี่ยค่อยๆดูไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นตัวเราเลยมีแต่สิ่งที่ใจไปรู้เข้าเท่านั้นเองถ้าใจไม่ไปรู้นะสิ่งนั้นก็หายไปค่อยๆดูนะตัวเราไม่มีแล้วตัวใจเองอ่ะ เดี๋ยวก็รู้สึกตัวเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็รู้สึกเดี๋ยวก็เผลอเปลกไหมค่ะเอออย่างนั้นดีนะถ้ารู้สึกตัวตลอดเวลาไม่ดีต้องเดี๋ยวเผลอเดี๋ยวรู้ดีกว่านะอย่างตอนนี้เผลอหรือยังเผลอล้ <c oughs> เผลอไปทําอะไร <c oughs> เผลอไปคิดคให็นไหมใจมันเผลอนีอ่ดูไปดูของจริงนะเพื่อจะได้เห็นอนัตตานะมีแต่ของที่ไม่ใช่เรามีแต่ของที่เราบังคับไม่ได้ของถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราตัวใจเนี่ย ว่าบังคับไม่ได้เปลี่ยนแปลงตลอดไปดูอย่างนี้แหละ<ช>อ้าวผ่าน ค, ค, าคนนี้ส่งกันบ้านในใจกราบนมันสาการหลวงพ่อคะ่ะ <ๆ S 2> ก็เรียนรู้ธรรมะจากวิธีการปฏิบัติจากหลวงพ่อมาหลายปีแล้วคะ่ะก็รู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมาทำงานเยอะไปแล้วก็แต่ก็มีสติ แยกกายแยกใจได้แต่จิตไม่ตั้งมั่นนะคะก็ได้เคยเห็นว่าก็ช่วงที่ปฏิบัติเวลาทํางานก็จะเห็นบางครั้งบางค ร, ง า, งคราวที่เราเอ่าหลงแล้วเราก็เห็นว่าเราไปฟังอะไรมาแล้วจิตเราก็ปรุงแต่งแล้วมันก็เกิดความโกรธแล้วก็รู้สึกว่าเออแต่เราเห็นมันโกรธแต่มันไม่ได้เข้ามารวมกับเราอย่างนี้ค่ะใช่มีบางครั้งบางคราวที่ได้เห็นแบบนั้น น, น, นะคะฝึกไปเรื่นนอยนะจนกระทั่ง จิตก็ส่วนจิตกิเลสก็ส่วนกิเลสไม่เกี่ยวกันหรอกแต่สังเกตไหมมันก็ปลุงขึ้นมากิเลสอยู่ดีๆไม่เกิดหรอกเนาะมีการกระทบอารมณ์ใช่ไหมมีการคิดแล้วก็มีความโกรธเกิดขึ้นนะมันมีเหตุมันก็เกิดหน้าที่เราก็ไม่ได้ไปห้ามมั น, มนก็จะเห็นมาแล้วก็ไปไม่ว่าหรอกบังคับไม่ได้เห็นไหมบังคับไม่ได้เห็นค่ะงนั้นเห็นอนัตตาชัดนะ ดูอนัตตาบ่อยๆค่ะแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าตัวเองอยังอยู่ในทางหรือว่าตกลงไปหรือยังอะค่ะผิดศีลไหมไม่ค่ะพยายามที่จะไม่ค่ะเอออยู่ในทางนะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวบ้างไหมเห็นบ้างแล้วก็<อ>ไม่เห็นบ้างค่ะเออนะอย่างนี้ก็เรียกยังอยู่ในทางเห็นขันมันแยกบ้างไหมเห็นค่ะเออก็อยู่ในทางเห็นขันแสดงใจรักไหม เห็นการแล้วบางทีก็เข้าไปจัดการกับมันด้วยให้รู้ว่าไม่เป็นกลางได้คําตอบแล้วยังว่าอยู่ในทางไหมกราบพระคุณท่านค่ะต้องเพิ่มอะรมีศีลมีสมาธิมีปัญญาไม่อยู่ในทางก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนแล้วล่ะหลวงพ่อขอรบกวนขอชี้แนะข้อที่ยังต้องทําเพิ่มเติมใช่ยางฟุ้งไปใช่ออกนอกยังฟุ้งต้องต้องนั่งสมาธิแบบให้ ใจสบายแบบนั้นใช่ไหมคะส บ, <ร>สบายด้วยนะจะสบายเอาไว้พักผ่อน <c oughs> นะแล้วก็คอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไม่ห้ามนะรู้มันจะได้สมาธิตั้งมั่นเนี่ย <c oughs> ตอนนี้ที่ขาดคือสมาธิสบาย <c oughs> นะมันทําให้ฟุ้งซ <c oughs> ่านกราบขอบคุณครัคารวะ <c oughs> นะมีจุดอ่อนหลักๆอยู่สองตัวอันแรกขาดความต่อเนื่องอีกอันหนึ่งขาดสมาธิขาดอยู่สองตัวเนี่ย ในบางคนได้ยินว่าขาดสมาธินะขาดความต่อเนื่องก็พยายามปฏิบัติหามรุ่งหามค่าเครียดไปเลยใช้ไม่ได้หรอกนะหรือว่าขาดสมาธิก็ไม่นั่งสมาธิแล้วซึมกระถือไปเลยก็ใช้ไม่ได้ด้า น, นมันมิจฉาสมาธินะต้องเป็นสมาธิที่มีสติรู้เนือ้อรู้ตัวมีความสุขมีความสบายใจใจโปร่งโล่งเบาใจเครียดๆใช้ไม่ได้ การนมัส ก, การเจ้าค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้ส่งกันบ้านกับหลวงพ่อนะเจ้าค่ะก็ดีแล้วนี่ก็มีโอกาสได้ออไปฟังธรรมที่ศาลาลุงสินกับที่สวนสันติธรรมเมื่อตอนไลายปีเห็นไหมว่าใจเราเปลี่ยนมากเจ้าค่<น>ะเจ้าค่ะเราเคยส่องกระจกไหมเรารู้สึกไหมหน้าเราเปลี่ยนเนี่ยทําไมหลวงพอ่อดูพลาดก็รู้เลยว่าใครเรียนอยู่หลวงพ่อนะหน้ามันไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดา <c oughs> <L un ters> รู้สึกไหม รู้สึกนะค่ะ น, นะหน้าตาเปลี่ยนนะหน้าเคยยับย่นนะก็กลายเป็นหน้าผ่องใสนะก็พยายามฝึกให้รู้การู้ใจแล้วก็ทุงวันนี้ทํางานก็มีสติมากขึ้นไปทําต่อไปนะทำถูกแล้วละจ้ะค่ะนมัจการจ้ะเราไม่ได้ฝึกเอาสุกนะไม่ได้ฝึกเอาสงบไม่ได้ฝึกเอาดีเราสุกก็ไม่เที่ยงสงบก็ไม่เที่ยงดีก็ยังไม่เที่ยงแล้วฝึกให้เห็นความจริงของกายของใจ พอเราเห็นความจริงของกายของใจแล้วเนี่ยผลปลอยได้คือความสุขความสงบความดีนะาการเห็นความจริงนะมันไม่แ ป, ปรปลวนต่อไปแล้วเพั้นความสุขอันนี้จะไม่แ ป, ปรปลวนความสงบนี้จะไม่แปรปรวนความดีนี่ไม่แ ป, ปรปลวนอีกนะานากรารรดน้ำสัหลงพ่อเจา้าค่ะก็วันนี้ก็ะตุนเต้นกับป<อ>ีใหม่ก็ เห็นเปิดเข้าไปในเว็บไซต์ก็เห็นค่าวหลวงพอ่อะจะเมตตาเดินทางมาที่นี่ก็ดีใจค่ะรู้สึกว่าเมื่ อ, อได้ยินเสียงแค่ได้ยินเสียงหลวงพอ่อก็จะรู้สึกมีพลังลจิตเราไว <c oughs> จิตเรามันไวนะ <c oughs> ถ้าจิตไวอย่างนี้มันก็จะไปรับพลังไม่ดีได้ด้วย <c oughs> ใช่ค่ะแล้วก็ฟุ้งซ่างนง่ายนะมันจะออกนอกค่ะแล้วก็ทำให้เกิดปัญหากับตัวเองว่า คืออย่างที่หลวงพ่อบอกอะค่ะว่ า, าให้ดูเฉยๆแต่ว่าบางทีมันมันมันไม่ไหวอะคะ่ะคือแล้วก็เกิดคําถามว่าอย่างทุกให้รู้สมุทัยให้ละแล้วละอะไรหมายถึงว่าถ้าเกิดเราดูเฉยๆมันก็ไม่ไม่ใช่การละใช่ไหมคะไม่ใช่ให้เรารู้ทุกไปนะเมื่อเรารู้ทุกแจ่มแจ้งแล้วการละจะเกิดขึ้นเองอัตโนมัติอัตโนมัติ การแจ้งนิโรธจะเกิดขึ้นอัตโนมัติอริยมรรคเกิดโดยอัตโนมัตินะตอนนี้เรามีหน้าที่ปฏิบัติสิ่งที่เรียกว่าบุพพาคัมมัคยังไม่ใช่มรรคตัวจริงบุพพาคัมมัคคือเบื้องต้นของมรรคถ้าฝึกศีลสมาธิปัญญาอะไรของเราฝึกเรื่อยไปวันที่กําลังมันแก่รอบแล้วจิตจะรวมก็ภาวนาสมาธินะแล้วมันจะรู้ทูกลาสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคขึ้นในขณะจิตเดียวกันเขาเป็นของเขาเองตรงนั้น ตอนนี้เราไม่ต้องไปคิดเรื่องละอะไรหรอกนะหน้าที่ของเราทำอะไรพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสสนาเมื่อไหรจิตฟุ้งซ่านทำความสงบเข้ามาแล้วนะพอสงบแล้วก็ฝึกให้ตั้งมั่นตั้งมั่นแล้วเจริญวิปัสสนาคือเห็นความจริงของกายของใจเรื่อยไปนี่คืองานที่เราต้องทาการที่เราทาวิปัสสนานั่นแหละเรียกว่าเราฝึกรู้ทุก แล้วเราจะไปรู้ทุกจริงๆนะในขณะที่เกิดอริยมรรคตอนนี้เราก็ฝึกที่จะรู้ทุกคือฝึกรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเรื่อยไปรู้เท่านั้นนั่นแหละรู้ยอย่างนั้นแล้วก็สังเกตจิตจิตเราเศร้าหมองง่ายจิตเรามีโทสะแทรกง่านะ ใ, ให้เรารู้ทันอย่าไปเกลียดนั้นนะถ้าใจเราปฏิเสธสภาวะที่กำลังปรากฏนี่นโทสะมันเกิดใจไม่มีความสุข ให้รู้สภาวะที่กำลังปรากฏนะลงปัจจุบันรู้ไปสบายๆไม่หวังผลออกว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนีย่ยโทสะมันแทรกนะเจ้าค่ะครักราบขอบคุณเจ้าค่ะน้ำอสการ์ครับหลวงพ่ อ, อคือว่าช่วงตั้งแต่ต้นปีมามีปัจจัยภายนอกที่ทำให้โทสะเกิดขึ้นได้ง่าย แล้วก็มันกับว่าความจํามันจะจําตรงเหตุเหล่านั้นที่มันทําให้เกิดโทสะอืมวนอยู่เรื่อยๆแล้วมันก็ห้ามไม่ได้หรอก <c oughs> นะจิตเป็นของห้ามไม่ได้มันจะคิดเรื่องนี้อะไรนะี่ห้ามไม่ได้นะแล้วก็ไม่ใช่คุณคนเดียวหรอกจิตมีโทสะตอนนี้คนแทบทั้งประเทศนะจิตมีโทสะ เรากําลังสร้างประเทศของเราให้เป็นอบัยภูมิเนี่ยไปเป็นนรกนะนรกเนี่ยเจือด้วยโทษสะเต็ไมไปด้วยโทษสะเพราะงั้นอย่างสมมุตินะสมมติว่าเราเป็นฝ่ายไม่ชอบรัฐบาลเราจะต่อต้านรัฐบาลเราเห็นว่าควรต่อต้านไปแสดงสิทธิของพลเมืองอันนี้เป็นสิทธิตามกฎหมายทําได้ไหแต่ในฐานะชาวพุทธเนี่ยเราอย่าให้ขาดสตินะอย่าให้ขาดศีลนะ สมมติเราไปประท้วงก็ประท้วงไปนะจะเป่านกบีดไม่ผิดศีลแต่อย่าไปด่าเขานะนัออ่นด่าเขาผิดศีลอะไรเงี้ยแล้วตัวสําคัญที่สุดเราต้องรักษาจิตไว้ในสถานการณ์ทั้งสองฝ่ายบีวอารมณ์ทั้งสิ้นนั้นเราไม่ใช่ต้องทําอะไรด้วยอารมณ์นะเราเป็นคนระดับที่ใช้สมองล้ใช้เหตุผลมีเหตุผลสมควรไล่รัฐบาลก็ไปไล่มีเหตุสมควรรักษารัฐบาลก็ไปรักษา แต่อย่าให้ผิดศีลนะนี่ตอนนี้เรารับแต่ข้อมูลอกุศลแล้วเนาะฟังซีดีหลกงพ่อสิแล้วไม่เป็นหรอกตอนนี้เหมือนกับว่าตอนที่ไม่ส่งมาเรื่อยๆพอก่อนจะถึงเราแล้วมันจะตื่นเต้นมากๆห้ามาไม่ได้ดูออกไหมว่าห้ามไม่ได้ครับนะความตื่นเต้นจะเกิดห้ามไม่ได้ให้รู้อย่างที่มันเป็น แล้วก็ดูไปเรื่อยจะเห็นว่าความตื่นเต้นอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไม่ตื่นเต้นตลอดหรอกอย่างตอนนี้กะตะกี้ตื่นเต้นไม่เท่ากันแล้รู้สึกไหมตื่นเต้นมากที่สุดเลยตอนใหม่ใกล้จะถึงตัวพอถึงแล้วเนี่ยความตื่นเต้นก็เริ่มลดละถือนานๆ น, น, นะหวงไม่ไม่อยากปล่อยอีกแล้วก็อย่างนี้ก็มีนะขอบคุณครับส่งกันบ้านสิว่าไงโทรศัเกิดแล้วทําไง S <S คือว่าเคยเคยฟังซีดีแล้วหลวงพ่อบอกว่าพอสัญญากับเวทนาเกิดขึ้ น, ส, นสังขารฉปรงตองตรงนี้เห็นชัดมากกับ <S 2> <S 2> โทสะเห็นไหมว่าห้ามไม่ได้ถ้าเมื่อไหร่ใจเรายอมรับความจริงแล้วว่ามันห้ามไม่ได้หรอกนี่เรียกว่าเราเข้าใจมันแนละ้ั้นเราพาพาจิตเนี่ยให้เรียนรู้ความจริงเรื่อยๆไปสุดท้ายจะรู้เลยว่า มันทำงานไปตามเหตุตามปัจจัยของมัน ม, มีเหตุอย่างนี้มันก็มีผลอย่างนี้ไม่มีอะไรที่เราบังคับได้เรียนซ้ำแล้วซ้ำอีกนะแต่ถ้าใจไม่มีความสุขเลยทำความสงบเข้ามาถ้าใจฟุ้งซ่านฝึกให้ตั้งมันนะขอบคุณครับกลับนมัสการหลวงพ่อค่ะ คือช่วงแรกที่ภาวนาใหม่ๆจะรู้สึกว่ามีความสุขมากอมพอหลังๆนี้เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีความสุขแล้วอะค่ะอืหนูธรรมดาเรียนกับหลวงพ่อใหม่ๆนะหลวงพ่อพาให้ฝึกจิตให้ตั้งมั่นรู้เนรู้ตัวนะนั่นคือการฝึกสมาธินั่นเองเมื่อเรามีสมาธิจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะความสุขมันจะผุดขึ้นมานะโชยขึ้นมาทั้งวันเลยอย่าไปติดอยู่แค่นั้น เราฝึกจิตให้ตั้งมันนะ่นเพื่อวันหนึ่งเราจะพาจิต ท, ที่ตั้งมั่นแล้วมาเรียนรู้ความจริงความจริงของอะไรของกายของใจใกายกับใจมีความจริงว่าไงทุกข์เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเห็นต่อไปนี้คือทุกข์ครั้งสิ้นเลยนะเห็นไหมทุกข์มากทุกข์น้อยหมุนตลอดเวลานะเพรเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคือคลายความยึดถือเพรคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นะนี่เส้นทางเดินของพระริยาเจ้า งั้นไม่แปลกหรอกหากถึหลวงพ่อทีแรกมีความสุขมากเลยไม่ได้ทําอะไรเลยอยู่ๆวิติสุขอะไรพุดขึ้นตลอดนะอันนั้นเราฝึกในขั้นเบื้องต้นฝึกให้จิตมีสมาธิตั้งมั่นเท่านั้นเองเมื่อจิตมีสมาธิตั้งมั่นแล้วต่อไปนี้ขั้นเดินปัญญาเรียกว่าเรียนรู้ถูกหลวงพ่อเคยเจอครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะคือหลวงปู่คําพันธ์นะตอนนั้นหลวงพ่อไปทาสมาธิแล้วอยู่กับสมาธิอยู่ เราโพลคำพันธุ์ท่านก็เปรียบเปรยให้ฟังบอกว่าคนเราเวลาจะเดินทางไกลจะไปหาแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์นะอยากได้แผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์เราเดินไปไปเจอต้นไม้ใหญ่ร่มเย็นนะเราก็นอนอยู่ใต้ต้นไม้ไม่ยอมไปต่อนั่นนะคือความสุขของสมาธินะเดินจากต้นไม้เนี่ยรู้สึกไหมต้องเดินตักแดดตักลมไปนะลำบากใช่ไหมเนี่ยตดทุกข์อยูอย่จนกระทั่งไปเจอแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์จริงๆที่เราจะอยู่ได้จริงๆ คือเจอพาณิชฐานคือหนูรู้สึกว่าใจมันดิ้นอยู่ในกลางอกถู ก, กถูกแล้วก็รู้สึกว่ามีความแทรกแสงเข้าใจว่าเข้าใจไปเองว่าไม่ชอบชมันไม่เป็นกลางใช่หลวงพ่อถึงบอก ม, มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางแล้วการปฏิบัติเนี่ยนะพอถึงขั้นละเอียดเนี่ยเหลือแต่การไหวยิบยับอยู่กลางอกเท่านั้นเอง ไม่รู้ว่าคืออะไรด้วยไม่รู้ว่าโลภโกรธหลงสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วเลยนะจะมีแต่ว่าสิ่งในใจสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาไม่รู้ว่าคืออะไระดูไปได้มีแต่ทุกข์ล้นๆ้นแต่ถ้าตรงนี้นะเห็นถึงที่ไหวยิบ ย, บ, ยบอยู่กลางอกแล้วเนี่ยถ้ามันเหน็ดเหนื่อยจริงๆทําความสงบไหมพุโทโธพุโทโธไปคิดถึงพระเทเจ้าไปนะพักผ่อนอย่าไปดูตัวนี้หยุดพักชั่วคราว พอจิตได้สงบได้สมาธิมากพอกลับมาดูนะ้ําจะผ่านตรงนี้ไปคือครั้งที่แล้วส่งกันบ้านหลวงพ่อเมื่อตอนสงกรานต์นะคะคือหลวงพ่อเมตตาสอนว่าให้ทําสอนสงบคราวนี้หลังๆเนี่ยคะ่ะหนูปกติหนูจะทําอนาปนาสติทั่วเกือบทุกวันแต่ว่าอพอหลังๆนี้มันจะเคลิมง่ายอ่ะคะ่ะก็ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงอะคะ่ะลองทำซิทำอนาปนาสติลืมหลวงพ่อไปลืมตาได้ไหมพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้หลับตานะ แล้วพอจิตสงบาตามันหลับเองนี่พอเราเริ่มต้นเราก็หลับไปก่อนเลยหลับจริงๆเลยแล้วสติมันตามไม่ทันคูบรรลงังตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะนะไม่มีหลับตาด้วยนะหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวคราวนี้ปรับใหม่หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวนะบริกรรมไปอย่างนี้หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวนี่รู้สึกแรงไปถ้าแรงไปจะแน่น รู้สึกสบายสบายหายใจเข้ารู้สึกสบายสบายนะหายใจออกก็รู้สึกตัวไปสบายสบายเนี่ยเริ่มเคลิ้มละนะดูออกไหมเนะี่ยเพราะมันขาดสติสติตามไม่ทันนะงั้นพยายามฝึกนะลืมตาหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปรู้สึกตัวไปสติมันได้แข็งขึ้นค่ะแล้วหลวงพ่อมีอะไรหนูต้องแก้ตรงไหน น, ไนอกจากแก้ตรงนี้แหละ ถ, ถ้าจิตไม่มีพลังนะก็เดินปัญญาต่อไม่ไหวหนูมาได้ดีแล้วนะเพราะว่าการที่หนูเห็นสภาวะเกิดดับอยู่กลางอกได้เนี่ยเป็นขั้นเดินปัญญาที่ละเอียดละตรงนี้ก็ต้องใช้พลังของสมาธิเยอะขึ้นนะล้วเราเพิ่มสมาธิขึ้นแต่ไม่ใช่สมาธิสงบขาสตินะหายใจเรารู้สึกหายใจเรารู้สึกตัวไปฝึกทุกวันทุกวันเดี๋ยวมันมีแรงนะ แล้วมันบางทีมันรวมเข้าพักผ่อนพอพักผ่อนพอสมควรนะนตาเราลืมอยู่เนี่ยตามันปิดเองบางทีร่างกายหายไปโลกทั้งโลกหายไปหมดเลยนะเหลือแต่จิตดวงเดียวรู้เนื้อรู้ตัวไม่ขาดสติพอถอยออกมาจิตถอยออกจากสมาธิมีร่างกายออกมาแล้วนะเรามาย้อนเห็นในที่ไหวอยู่กลางโอ้นี่จิตจะผ่านตัวนี้ไปนะหนูรู้สึกด้วยค่ะว่าหนูขาดไม่ตาอย่างแรงแเนียเจริญช่าง จะเรียนยังไงคะหลวงจะเรียนก็นึกเอาก่อนสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขเกิดเอาเริ่มแต่ไอ้ตัวนี้ก่อนสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขเกิดอย่าดุร้ายนักเลยเออต้องอย่างนี้นะเวลาแผ่เมตตาแผ่ตัวเองก่อนตัวนี้ก็สัตว์ตัวหนึ่งเหมือนกันเมัวแต่ไปเมตตาตัวอื่นลืมเมตตาตัวนี้กราบขอบพระคุณค่ะน้ำมัสการค่ะหลวงพ่ออืม หนูไม่ค่อยรู้สึกตัวค่ะแล้วก็ชอบเผลอเพลินแล้วพอมาหายใจมันก็ง่วงง่วงอะค่ะแล้วก็ก็เลยไปวิ่งอ่ะก็รู้สึกว่าดีขึ้นนิดนึงแต่ว่ามันก็เมื่อยแล้วก็เหนื่อยด้วยค่ะกลรมฐทานวิ่งเราพระพทุทธเจ้าไม่ได้สอนมันเหนื่อยเกินไปใคระมะวิ่งได้เป็นชั่วโมงเนาะทำไมหนูนั่งแล้วมันหลับง่ายรู้ไหม เาว่าในชีวิตธรรมดาเนี่ยมันเหนื่อยเกินไปมันยุ่งวุ่นวายใจมากนะใจมันต้องการพักเพราะนพอไปนั่งเข้าก็หมดเรื่องหมดแรงก็หลับไปลองเปลี่ยนใหม่ตื่นเร็วขึ้นนิดนึงนะแล้วมาทําตอนเช้ามาปฏิบัติตอนเช้าตื่นใหม่ๆสดชื่นตีสีตื่นมาภาวานาสบายและตายทำหน้าตาสยดสยองเคยเห็นดาวตอนใกล้จะตกไหม หรือเราอยู่ตึกมีฟ้าอยู่นิดเดียวไม่เห็นคนกรุงเทพนั้นะไม่เห็นแสงเดือนแสงดาวนะเห็นแต่แสงไฟฟ้าน้ำค้างก็ไม่รู้จักอะไรงนี้นะน่าสงสารตื่นเร็วขึ้นนิดนึงแล้วมาพอนาสดชื่นออกแล้วก็หายใจไปอย่างนี้ใช่ไหมคะตีสไม่ไหวก็ตีห้าก็ได้เอา <laughs> <laughs> ถ้าทางกลัวเกินแล้วนอนให้เร็วขึ้น S <S <S นะบางคนกลางคืนไม่นอนนะแล้วมันอนตอนเช้านะร่างกายมนุษย์นะถูกสร้างขึ้นมาดีไซน์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นสัตว์กลางวันกลางคืนตาก็มองไม่เห็นอย่างนี้นะนี้เราคนเมืองนะเราตัดแรงพฤติกรรมการดํารงชีวิตของเราให้เป็นสัตว์กลางคืนบางคนอยู่เที่ยงคืนตีหนึ่งตี2แล้วถึงจะนอนอนะไรองี้ บางวันตอนเช้าตอนที่อากาศสดชื่นที่สุดเลยเราก็หลับอยู่อะไรอย่างงี้นะถ้าไม่จําเป็นนะค่อยๆปรับตัวนอนให้เร็วขึ้นตื่นให้เร็วขึ้นเราต้องทําอะไรเพิ่อมอีกไหมค ะ, จะเจริญเมตตาไปนะนึกไปเรื่อยๆนะเบื้องต้นนึกออกก่อนสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขเถนะิด น, นึกๆไปแค่เนี้ยนะต่อไปใจเป็นค่อยๆน้อมนอมไป แล้วถ้าเมไร่ใจเป็นเห็นสัตว์ทั้งหลายน่าสงสารนะควาเมตตามันจะมหาศาลเลยนะเราเห็นนะสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายนะเต็ไมไปด้วยความทุกข์คือทุกคนที่ไม่รู้จักเมตตาคนอื่นนะเห็นแต่ตัวเองทุกข์ไม่เห็นว่าคนอื่นเขาก็ทุกข์นะถ้าเมื่อไหร่เราเห็นว่าคนอื่นเขาก็ทุกข์ทุกข์น่าสงสารมากเลยเมตตาจะเกิดขึ้นอัตโนมัตินะ ช, ช่วงนี้ี้โมโหค่ะมากเลยค่ะธรรมดาบอกแล้วว่ากระแสมโมโหครองโลก หอมเมืองไทยตอนเนี้ยจะแสบเมตตาตกตอนเนี้ยกลับนมัส ก, การหลวงพ่อครับปฏิบัติตามแนวทางของหลวงพ่อมาหลายปีแล้วนะครับแรกๆ ก, ก็เป็นอย่างที่หลวงพ่อบอกก็คือเออมีความสุขโชยขึ้นทั้งวันนะครับแต่ว่าเ อ, อพอปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกับรู้จักตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ<ม>แล้วสัมผัสตัวเองเร็วมากขึ้นเรื่อยๆถ ก, ถก <laughs> ไม่ใช่เร็วมากขึ้นนะเห็นความเร็วมากขึ้นอ๋อครับไม่ใช่ว่าปฏิบัติแล้วเร็วมากขึ้นนะถ้างั้นจะไปปฏิบัติทําไมแต่ปฏิบัติแล้วเห็นมากขึ้นครับอย่างแต่ก่อนนะเราจะเห็นว่าเราอาดีดีเวลาเถียงกันนะเราถูกข้างเดียวอเราหานันภาวนาเป็นเรารู้เลยเบื้องหลังใจของเราเนี่ยนเะซ ล, ล์ทั้งนั้นเลยจะเห็นตัวนี้แล้วที่ปฏิบัติมานี้จิตปกติเหมือนตอนนี้ไหม อยู่ใ น, นชีวิตประจำวันจิตเป็นแบบนี้ไหมตอนนี้ก็ตื่นเต้นนิดหน่อยครับแล้วก็มีการแทรกแซงจิตไหมครับถ้<อ>า<ห>รู้ทันอย่างนี้ใช้ได้ครับอยู่ในชีวิตจริงก็ปล่อยให้จิตทํางานแล้วมีสติตามรู้ไปครับไม่จ้องนะหลักของการดูจิตเนี่ยก่อนดูอย่าอย่าไปดักดูให้ความรู้สึกเกิดแล้วก็ค่อยรู้เอานะห้ามดักดูถ้าดักดูแล้วมันจะนิ่งนิ่งวางๆ ดังนั้นก่อนดูอย่าไปดักดูให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอาระหว่างดูดูอยู่ห่างๆอย่าถล่มลงไปดูอย่าให้มันไหลเข้าไปดูห่างๆดูแบบคนมวงนอกดูแล้วไม่แทรกแซงนี่หลักของการดูดูแล้วไม่แทรกแซงเช่นเห็นจิตมีกิเลสไม่แทรกแซงก็แค่รู้เท่านั้นก็จะเห็นความจริงว่าจิตที่มีกิเลสนะมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เห็นอย่างนั้นไปดูนะอย่าไปดักดูนะ เวลาดูยังดักดูอยู่ก็พ้นครับกาบเรียนกับหลวงพ่อผมรู้สึกว่าจิตมันติดนิ่งใกล้คล้ายกับที่เคยกราบเรียนหลวงพ่ออีกช่วงนี้จะเป็นกล้คล้ายจิตมันมันหลบหรือเปล่ามันหนีทุกข์หรือเปล่าครับก็พอรู้เรื่องอะไรต่างๆก็แล้วมันก็จะมาแบบก็มีอารมณ์อะไรก็รู้รับทราบไปเสร็จ แ, แล้วก็ มันก็จะมาแปลสภาพคล้ายๆว่าเฉยๆอะครับเออเฉยไม่เอานะ <c oughs> เฉยชั่วคราวได้นะแต่ที่จริงไม่ควรเฉยจิตเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะ <c oughs> ถ้าเฉยเมื่อไหร่แสดงว่าประคองอยู่ครับเ <c oughs> นี่ยตรงเนี้ยรวบเข้ามาละเนถ้าอยู่ตรงนี้ผิดเลยนะค <c oughs> รับยุคจิตเป็นบ่อยครับเออเมื่มันชินแล้วละ <c oughs> มันติดมันติดการประคองจิตอยู่อย่างนี้นะเป็นที่หลบภยัยเป็นที่หนีทุกนะ <c oughs> รู้สึกว่ามันก็ ไม่ไม่ทุกมันหนีคครรัับบมันหนีนะเป็นเองใช่ไหมครับเพราะว่าจิตมันกลัวทุกมันหลบครับหลบมาอยู่ตรงเนี้ยนิ่งคหลบอยู่อย่างนี้ได้ทั้งวันนะย่าทื่อๆนิดนึงใช่ครับวิธีการให้รู้กล้าๆหน่อยเงี้ยงนี้ออกมาแล้วครับมันเป็นบ่อยครับหลวงพ่อแล้วชินอ๋อชิน ชินนะเพราะว่ามันมันทุกข์แล้วมันหลบกักล้าหน่อยนะครับแล้วเป็นเพราะว่าแรงไม่ค่อยมีเพราะจิตส่งออกนอกเยอะด้วยหรือเปล่าครับปกติจิตจะแบบไม่ค่อยอยู่สมถะทำความสงบเข้ามานะทำความสงบบ้างทําสมถะบ้างครนะถ้าทําสมถะจิตใจชุ่มเย็นมีแรงตอนนี้ใจแห้งแรงไปถ้าทําสมถะนี้ทําแบบที่ แบบนั่งสมาธิแล้วจิตหนีไปคิดแล้รู้หนีไปคิดไปรู้แล้วก็ฟุ้งซ่าได้รู้อย่างนี้ได้ไหมครับแบบทําถ้าตอนนี้นะมันควรจะพักผ่อนน้อมจิตไปอยู่ในรมที่มีความสุขหายใจมีความสุขหายใจมีความสุขครับแต่ตรงนั้นคอยจะหลับครับมหลับเพราะว่ามันเหนื่อยใจที่อ่อนล้ามากเนี่ยครับเวลามาทําสมาธิมันจะหลบข้็นอนเลยไม่ฝืนนะให้มันพักไป หลับก็หลับเดี๋ยวตื่นขึ้นมาแล้วทําต่อคือทำำํำสมาธิสมาธิแบบอารมณ์เดียวความสงบอารมณเดียวให้มันพักนั่งครับพักได้ที่มีเรี้ยวมีแรงแล้วนะไม่ใช่พอ น, นั่งเพิ่มเหลับไปเลยมันไม่มีแรงครับมันไม่ใช่นิพิทาตัวนี้เวลาจิตกับ น, นิพิทานั่งสมาธิเมื่อหลับเอาหลับเอาคือมีนะแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เป็นโทสะครับมันมันหลบทุก แล้วมีอะไรที่หลวงพ่ อ, อแเยอะแล้วนะที่ทำความสงบเพรา ะ, ระให้สบายอยู่ในอารมณ์เดียวเจริญ เ, เมตตาก็ได้นะเจริญ เ, เมตตาก็ดีนะลองเจริญเมตตาหน่อยโดยที่วัดดูที่ตัวเราก่อน อ, อย่างี้จะ ต, ตั้งใจให้เป็นสุขเป็นสุขคิดออกการแผ่มเมตตาเนี่ยไม่ใช่ใช้พลังจิตของเราตันออกไปนะอย่างนั้นเปลืองแรงทีแรกนึกๆเอาก่อ น, นที่สวดๆกันนะ จเจริญเมตตาแผ่เมตตาบริกรรมไปเรนะื่อยสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขเถิดเลยนะใจมันนุ่มอ่อนเย็นนะกระแสเมตตาค่อยแผ่ออกจิตที่จเจริญเมตตานะีมันจะสว่างนะแล้วก็แผ่ออกโล่งกว้างออกไม่เป็นขมวดเครียดอยู่ข้างในนะงั้นเวลาบางคนจิตที่เป็นขมวดอยู่ข้างในนะเครียดอยู่ข้างในเนี่ยเจริญเมตตานี่เหมาะที่สุดเลย ยิ่งไปทำอนาปนาสตินี้เครียดเข้าไปเลยยิ่งกดเข้าไปข้างในมากขึ้นนะดังั้นพอมันทั้งไปขมวดอยู่ข้างในเครียดอยู่ข้างในเนี่ยจเจริญเมตตาพอ ก, กระแสมเมตตาเกิดนี่มันจะแผ่ออกนะจิตนี้จะคลี่ตัวออกจิตจะคลายตัวออกกว้างออกจิตใจกว้างขวางออกไปรู้ตื่นเบิกบานนะภาวนาต่อง่ายเพี่ยำสมัยที่เขาทำความรู้สึกให้รู้สึกเป็นมิตรเป็นมิตรกับกับทุกอย่างทุกอย่างเลย คำว่าเมตตาคำว่าหมตรี ree, คำว่ามิตรคำเดียวกันคำว่าพระศรีอริยะเมตไตรตัวนี้เองอ่ะต่อไปหมดคหมดแล้วลค่ะขออนุ ญ, ญาตกล่าวคำถวายทานนะคะพร้อมๆกันนะคะให้ทุกท่านได้ตั้งจิตเสมือนกับถวายด้วยตนเองนะคะกล่าวตามนะคะข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย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 และพผ่อนนะทำใจสงบสบายเราทำบุญกันมาหลายชนิดแล้วนะฟังธรรมก็เป็นบุญนะถวายทานตอนนี้ฝึกใจให้จิตใจสงบก็ได้สมาธิเป็นบุญอีกชนิดหนึ่งนึกแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครัง เอวาเมวาอิโตทินนางเปตานางอุปกปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวะสมิชตุสเพภูเรนตูสังกปาจันโทปันระโสยถามณีโชติระโสยถาสพีติโยวิวัตชันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตบรรตรายโยสุขีที่คายุโกภวะ อภิวาทานาสีลิสนิจังวุธาปัชายิโนจตารโรธรรมาวัันติอายุวันโนสุขังพระลังหลวงพ่อมโนทนากับผู้จัดนะเจ้าของสถานที่ก็พวกเราทุกคนที่มาฟังธรรมนะมีความสุขความเจริญปลอดภัยนะ